าก็ขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่มาตั้งใจรับฟังในวันนี้เนี่ยอันในวันนี้ก็จะขึ้นในเรื่องของคำว่าภาวนาสามภาวนาสามเคยพูดเรื่องเคยพูดมาก่อนหน้านั้นและในภาวนาสามเนี่ยมีคำว่าปริกรรมว่าภาวนาเป็นต้น ทีนี้ทำความเข้าใจคำว่าภาวนาบริกรรมมาภาวนาเนี่ ย, ยจะมีบริกรรมมาภาวนาอุปจาราภาวนาและอ ป, ปนาภาวนาเคยได้ฟังกันไปครั้งหนึ่งนะทีนี้คำว่าภาวนาเนี่ยเคยบอกไปแล้วว่าหมายถึงอะไรภาวนาในทีนี้ใครยังจำได้ไหม ได้มากเราไปพูดถึงในเรื่องของภาวนาทีไรเราก็จะนึกว่าเป็นการท่องบนคำว่าภาวนาเนี่ยได้มากก็จะเป็นนึกถึงการท่องบนใช่ไหมใครภาวนาไหมไปภาวนามาหรือ ย, ยังคำคำนี้รู้สึกมันเป็นคำขังขังยังไงชอบคนปาริกกรรมว่าภาวนาอุปจารลภาวนาอัปนาภาวนาเจติติโสภาวนา ภาวนามีสามอย่างมีบริกรรมมภาวนาอุปจาระภาวนาและอัปนาภาวนาใช่ไหมนี่ก็เลยมาขยายคำว่าภาวนาปริกรรมมภาวนาได้แก่อะไรเอาตัวสภาวะเลยนะไม่ใช่การท่องบทปริกรรมมภาวนาเนี่ยหรือบริกรรมภาวนาเนี่ยมันได้แก่มหากุศลตัวสภาวะธรรมยิงๆได้แก่มหากุศล นี้ถ้าเกิดขึ้นในอัทยาศัยของบุดุชนหรือเศฆบุคคลเนี่ยแต่ถ้าเกิดขึ้นในอัธยาศัยของพระอาหารหันตตาเจ้าทั้งหลายเป็นชื่อเรียกมหากริยาฉะนั้นจะเป็นมหากุุสหรือมหากริยาที่เกิดขึ้นก่อนๆ น, นับตั้งแต่ไหนนับตั้งแต่ได้เริ่มต้นแห่งการเจริญสัมปทภ า, าวนาใหม่ๆเริ่มใหม่ๆตลอด จนถึงขอบเขตของอุคานิมิตแปลว่ายังอยู่ในขอบเขตตราบใดยังมีอุขานิมิตเป็นอารมณ์อยู่เริ่มตั้งแต่บริกรร ม, มนิมิตไปจนถึงอุคหานิมิตคือนิมิตที่ติดตาติดใจนี่แหละอยู่ในขอบเขตนั้นชื่อว่าปริกรร ม, มะมันมาจากอะไรมันมาจากคาว่าวิถีจิตอันใดย่อมจัดแจงปรุงแต่งอภนา จัดแจงปรุงแต่งที่จะทำให้อัปนาจิตก็คือจิตที่แนบแน่นเกิดขึ้นฉะนั้นวิถีจิตนั้นชื่อว่าปริกรร ม, มะหรืออีกในหนึ่งวิถีจิตที่เป็นเหตุแห่งการเจริญกรรมฐานเบื้องต้นชื่อว่าปริกรรมะบริกรรมออถ้าพูดถึงในเรื่องของปริกรรมะภาวนาเนี่ยก็ให้ย้อนไปถึงในเรื่องของสมาธิถ้าย้อนไปถึงสมาธิก็จะเห็นกว่า ขณ้กะสมาธิขณ้กะสมาธิหรือมูลสมาธิเป็นสมาธิขั้นต้นเป็นสมาธิขั้นตระเตรียมเป็นสมาธิมูลฐานพื้นฐานเลยเริ่มต้นจากการที่จะมาฝึกฝนหรือจเจริญสมถกรรมฐานใหม่ๆต้องการจะเข้าสู่ภาวะความสงบแห่งจิตใหม่ๆนี่แหละตรงนี้เรเรียกว่าปริกรรมะพอจะมองเห็นไหม ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามในความหมายนี้เป็นต้นคาว่าปรังเนี่ยนะสับบาลีในที่เนี้ยเป็นปริกรรมังเนี่ยอันนี้เป็นอุปสารบทในวั จ, จนที่ที่หนึ่งเรียกปริเนี่ยเป็นธาตุวัานุวัตนะอุปสารปัททะก็หมายความว่าไม่มีการแสดงเนื้อความโดยเฉพาะแต่เป็น ไปโดยตามเนื้อความของธาตุตามหลักภาษาบาลีคำว่าปริศนี้ไม่ได้มีความหมายไม่มีเนื้อความโดยเฉพาะนีส่วนในวั จ, จะนะถาที่สองคำว่าปริเหมือนกันมันมีความหมายคาว่าปริอยู่สองความหมายเป็นธาตุวัฏฐวิเศษ ก, กะอุปสานะประปะทะก็หมายความว่าย่อมทำเนื้อความของธาตุให้มีความหมายเป็นพิเศษ ยิงแสดงให้รู้ว่าการเจริญกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเบือเบ้องต้นปริในแปลว่าเบื้องต้นเป็นขั้นตระเตรียมที่เรียกว่าขั้นนิกะเหมือนกันเป็นมูลสมาธิเป็นสมาธิต้นเขาอันนี้การบริกรรมมะตัวนี้ก็คือเป็นการขั้นตระเตรียมขั้นเริ่มต้นขั้นจัดแจงที่จะฝึกจิตของตนเองให้มีสติที่เป็นไปกับการระลึก ถึงบทหรือว่าอารมณ์ที่ตนเองจะเข้าไประลึกหรือไปตั้งมั่นเพื่อจะให้จิตนั้นเกิดความแนบแั่นเช่นเวลาเราจะดูลมหายใจเข้าออกหรือระลึกถึงลมหายใจเข้าออกขั้นตระเตรียมก็คือการที่มีสติไประลึกจับอยู่ที่ลมตรึงอยู่ที่ลมกำกับอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลอมหายใจออกการเริ่มต้นในการกระทํา เป็นเบื้องต้นอย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกบริกรรมบริกรรมมะเป็นการตราเตรียมเบื้องเริ่มเบื้องต้นวิธีจิตที่จัดแจงปรุงแต่งอัปปนาหรือวิธีจิตที่เป็นเหตุแห่งการเจริญกรรมาฐานเบื้องต้นตอนนั้นนะ่ะวิธีจิตก็คือตัวกุศลและจิตนี่แหละตรงนี้ต้องเข้าใจให้ชัดนะถ้าย้อนถามกลับจะตอบไม่ได้อีก เดี๋ยวไม่เข้าใจอีกวิธีจิตคืออะไรความคิดที่เป็นกุศลที่กำลังเข้าไประลึกถึงกรรมฐานที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเช่นอะไรเช่นระลึกถึงกระสินสิบอสุภาสิตเป็นต้นหรือเม้แต่ดูลมให้ใจเข้าออกเช่นวิธีจิตที่เริ่มมาจดจอ่อหรือมา และลึกหรือมาจับที่มีสติกำกับอยู่มีสติกำกับอยู่จับอยู่ที่ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นเป็นต้นไปเนี่ยเขาเรียกปริกรรมเขาเรียกปริกรรมนั้นแปลว่าเราเริ่มต้นในการที่จะเริ่มจัดแจงอะไรจัดแจงปรงแต่งเพื่อทำให้จิตแนบแน่นหรืออัปปนาให้เกิดขึ้นเป็นการเบื้องเป็นการกระทำเบื้องต้น วัตถุประสงค์ของการเจริญสมถะกรรมฐานเพื่ออะไรเพื่อต้องการภาวะความสงบแห่งจิตถามว่าจิตที่ไม่สงบเพราะอะไรเพราะมีความติดใจฝ่ายกสันไปย้อมจิตไว้เหมือนสีเหมือนน้ําเนี่ยน้ําที่มีสีแดงน้ําที่มีสีดําน้ําที่มีสีเหลืองน้ําที่มีสีเข้มไปผสมปนเปอยู่ในภาชนะ ถามว่าเราต้องการจะดูเงาหน้าของเราเนี่ยให้เห็นเงาหน้าของเราในภาชนะนั้นสามารถเห็นได้ไหมเห็นชัดไหมไม่ชัดเลยเพราะอะไรน้ำมันมีสีจิตของเราที่ไม่ตั้งมั่นไม่แข็งแรงทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะมีสีก็เลยการมาฉันทะไปย้อมอยู่ก็เลยไม่เห็นอะไรชัดหรืออีกอย่างหนึ่ง น้ำใส่ภาชนะไปตั้งบนเตาที่มีไฟลุกโชนอยู่น้ำเป็นยังไงน้ำก็เดือดตึดตืดตืด ก, ก, ก, ก, ก็ไม่สามารถจะไปชะโงกหน้ามองไปเห็นเงาหน้าได้ชัดเพราะน้ำมันเป็นมันเดือดอยู่ตลอดเวลาจิตที่ถูกโทสะถูกความเครียดถูกความโกรธถูกความอิจฉาลิษยาถูกพยาบาทกุ้มรุมก็เดือดตืดตืด ๆ, ๆืดอย่างนั้นเลยก็ไม่อาจจะเป็นสมาธิได้ ก็ไม่สัตว์สามารถจะจัดแจงปุงแต่งให้เป็นอัปนาเป็นต้นได้เริ่มต้นก็ไม่เป็นแล้วหรือท่านน้ำถูกจอกแหนในภาชนะใหญ่ๆหถูกจอกแหนปกคลุมทั้งหมดเป็นยังไชงชะโงกไปมองเห็นเงาหน้าตัวเองได้ไหมจิตที่ถูกความหดหู่ท้อถอยความเซงความซึมเขาเรียกถีนมิทะกุ้มรุมก็เป็นเหมือนน้าถูกจอกแหนปกคลุมอยู่ก็ไม่สามารถจะใสสะอาดแล้วเห็นได้ชัดได้ น้ำที่ถูกลมพายุพัดต้องเป็นไง <S <S เป็นริ้วขึ้นกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ในภาชนะเราไปส่องเงาหน้าในภาชนะชะโงกไปก็ไม่เห็ น, ใ, นใบหน้าได้ชัดแม้ชัน้นใดจิตที่ถูกความฟุ้งซ่านลาคาญใจมากระทบกระท่วมุทจากกุกจากเนี่ยก้มรุมก็เป็นอย่างนั้นไม่สามารถที่จะดิ่งหรือนิ่งเป็นอารมณ์เดียวได้น้ำที่เอาโคลนตมไปผสม แล้วไปตั้งไว้ในที่มืดชะงโงกหน้าดูยังไงจะเห็นเงาหน้าไหมแค่โคนตมก็ไม่ได้แล้วนี่ไปตั้งไว้ที่มืดอยู่จิตที่มีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเป็นจิตที่มืดบอดนี้คือตัวสนิมของจิตเหตุที่จิตเนี่ยไม่สามารถจะใสสะอาดหรือตั้งมั่นหรือเป็นจิตที่ควรต่อการงานหรือเป็นจิตที่ผ่องใสตั้งมั่นหรือ ตั้งมั่นในลมใดลมหนึ่งไม่ได้ก็ เ, เพราะจิตนี้ถูกการมฉันทะความติดใจไฝ่กสันพยาบาทความโกรธทีน้มิท่าหัวถูทอถอยอุทธิจากกุกจักฟงสร้างทำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมันกุ้มรุมการมาเริ่มทำปริกรรมะครั้งแรกก็เป็นกิจกรรมในการที่จะสกัดเอากามฉันทะเป็นต้ น, นออกจา ก, กจิต เพื่อจิตนั้นใสสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วไม่มีมวลทินคือกิเลสเข้าใจยังถ้าไม่รู้จุดมุ่งหมายของการทำสมถะก็ไม่ได้ประโยชน์เลยนี่การทำสมถะกรรมฐานก็คือวัตถุประสงค์อย่างนี้อุปมาเหมือนทองถ้ายังมีทั้งเหล็กมีทั้งตะ ก, กั่วมีทั้งดีบุกมีทั้งทองแดงมีทั้งเงิน5อย่างผสมอยู่มันก็ไม่เป็นทองที่บริสุทธ ถ้าปรารถนาอยากจะได้ทองที่บริสุทธิ์ก็ต้องสกัดเหล็กออกตะกั่วออกทองแดงออกเอาเงินออกเอาดีบุกออกให้เหลือแต่ทองล้วนๆเมื่อได้ทองล้วนๆสุกปรั่งแล้วจึงเอาทองล้วนๆไปทําแหวนทำสร้อยทํานาฬิกาทําสุวรรณมาลาทำทำเครื่องประดับอย่างนี้เป็นต้นจิตที่มีการมาฉันทะพยาบาทีนะมิทธาอุทจักกุกขเจ้าวิจิกขาก้มรม เป็นจิตที่เดินวิปัสสนาญาณไม่ได้เป็นจิตที่ไม่คู่ควรที่จะไปรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เป็นเหมือนน้ำขุนก็ไม่สามารถเห็นหอยเห็นกุ้งเห็นปูเห็นปลาที่แบบว่ไปมาอยู่แม้ชั้นใดสภาพจิตนี้เหมือนกันมันมีทั้งเกดรสิกมีทั้งสภาวธรรมเกิดร่วมในจิตเยอะแยะหมดเห็นไม่ได้เพราะมันขุนมันมีตัวความกาหนัดเข้าไปกุ้มรุมอยู่ปิดบังอยู่ มีขัดเครื่องปิดบังอยู่มีความหดหู่เพราะถอยปิดบังอยู่มีความฟุ้งซ่านลาคาญใจปิดบังอยู่มีความลังเลสงสัยปิดบังอยู่มันมองอะไรก็ไม่เห็นมืดตืเหมือนม้าเวลาเอาแว่นสีไปใส่ให้มันโอ้มันก็เห็นมั่วเลยเห็นหญ้าแห้งเป็นหญ้าเขียวเป็นหญ้าเหลืองก็ได้เป็นหญ้าแดงก็ได้มันแล้วจะใส่สีอะไรลงไปตอนนี้จิตของปุถุชนเพื่อมุดบอบมืดบอด เป็นจิตที่ถูกย้อมเต็มไปหมดไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นความจริงอะไรได้แล้วก็สอนวิปัสนาญาณกันปอมๆล้วก็โยกทานศีลภาวนาปอมๆกันอยู่นี่แหละไ ม, ม่มีวิธีการสกัดที่ถูกต้องก็ไปเรียนกันไปสิเรียนทานศีลภาวนาปอมๆว่าถามว่าเจริญสมถะเพื่ออะไรบอกเพื่อสกัดนิวรธรรม กำจัดนิวรธรรมออกจากจิตเอานิวรธรรมออกจากจิตแล้วจะได้อะไรจะได้ความสว่างความใสความสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วของจิตและได้ความแข็งแรงตั้งมั่นของจิตจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ม่มีของเสียจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตที่ไม่มีวนทินจิตที่ไม่มีริ้วคลื่นจิตที่ไม่สั่นไหวได้จิตอย่างนี้แล้วไปทําอะไรต่อจะได้ไปเดินวิปัสสนาญาณต่อฉะนั้นจึงเริ่มต้นตั้งแต่ปริกรรม เขาเรียกบริกรรมมาภาวนาการทําวิถีจิตที่กุศลจิตเนี่ยให้เกิดขึ้นบ่อยๆติดต่อกันติดต่อกันเป็นกิจกรรมในการที่จะสกัดจิตที่โสกโปกหรือไอ้สนิมขลังมณทินมณทินของจิตสนิมของจิตสิ่งที่ทําให้จิตนั้นเนี่ยไม่สะอาดเยี่ยมออกออกไปเขาจะยังเขาจึงเริ่มต้นตั้งแต่บริกรรมมาภาวนา นี่จะแปลยังไงภาวนาในบริกรรมแปลย้อนกลับมาเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ก็คือการทำวิถีจิตนะเกิดขึ้นปริกรรมนะี่คือเป็นการวิถีจิตอันใดย่มจัดแจงปรุงแต่งปรุงแต่งจิตเพื่อให้จิตเข้าถึงความแนบแน่นเพื่อให้จิตนั้นเข้าถึงความตั้งมัน่นเพื่อให้จิตนั้นเข้าถึงความใสสะอาดให้จิตที่ไม่มีมลทิน นี่แหละคือกิจกรรมในการจัดแจงปรุงแต่งเขาเเรียกว่าปริกรรมะภาวนาก็ทำจิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเขาใจยังลงน้าเขาใจยังพอจะชัดไหมฉะนั้นไม่ใช่เป็นนั่งเฉยๆหรือเป็นนั่งอย่างไร้ร่องรอยหรือเป็นนั่งอย่างทิศทางหรือไปขับเน้นแค่เปนั่งบริกรรมพุโทโธพุโทโธไม่ใช่ทําไม้เข้าใจจบหรือไม่จบจบแปลว่าอะไร ไปไม่เป็นไปไม่เป็นเห็นไหมไม่ใช่ว่าแต่ทำทำไมเอาบริกรรมไปเถอะคูบาอาจารย์ให้บริกรรมแบบนี้กับบริกรรมมะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธบ้างหรือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองบ้างหรือว่าหายใจเข้าหนึ่งหาเจ้าหรือว่าหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งเป็นต้นบ้างเที่ยงกันไม่จบหรือว่าบางคนอา้าใส่ส ม, มาหังเข้าไปอีกทําไม่เข้าใจสาระจบเลยอันนี้คือรูปแบบ สาระสําคัญรูปแบบก็สําคัญอยู่แต่สาระสําคัญไม่ทำให้เข้าใจสาระจบเลยนนเนื้องานนี้จบไม่จบจบแล้วหยุดได้อย่า ง, าง <c oughs> นี่เป็นอย่างงี้นะนี่ปริกรรมมามันต้องมีการนี่แหละคือการจัดแจงปรุงแต่งอัปนาหรือวิถีจิตที่เป็นเหตุแห่งการเจริญกรรมฐานเบื้องต้นก็เรียกปริกรรมมาภาวนาเนี่เป็นเหตุแห่งการเจริญกรรมฐานเบื้องต้นแล้วแล้วมีจุดมุ่งหมายเลยนะ ว่าจะต้องจัดแจงปรุงแต่งจิตประดับจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเข้าถึงอัปปนาอัปปนาแปลว่าอะไรแนบแน่นไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆไปดูล้มเข้าล้มออกเขาถามนั่งทำไมก็นั่งเล่นๆไปงั้นเไม่ใช่มีจุดมุ่งหมายชัดไม่ใช่ไม่ชัดนี่อัปปนาเป็นลักษณะแบบนี้นี่เป็นการเจริญกรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเบื้องต้น ฉะนั้นวิถีจิตที่จัดแจงปรุงแต่งอัปปนาหรือวิถีจิตที่เป็นเหตุแห่งการเจริญกรรมฐานเบื้องต้นนี้แหละผู้ปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติแล้วเขาเรียกว่าโยคีถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าพระโยคีพอบอกได้ยินคำว่าพระโยคีบุคคลนี่แปลว่าอะไรบุคคลที่ประกอบความเพียรบุคคลที่ประกอบความเพียรเพราะดีไมอ่า ถ้าลงนาไปปฏิบัติกรรมฐานเขาเรียกว่าพระโยคีบุคคลทายมที่นั่งฟังอยู่เนี้ยบอกไปเจริญกรรมฐานคือโยคีบุคคลแปลว่าบุคคลที่กําลังประกอบอะไรปร ะ, ประกอบความเพียรไม่ใช่ความเพียรอย่างเดียวนะประกอบความเพียรด้วยประกอบสติด้วยประกอบสมาธิด้วยประกอบคือไปจัดแจงปรุงแต่งศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อจะเข้าถึงความตั้งมั่นแห่งจิต เรามีภารกิจเรามีพันธกิจในการที่จะทำจิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกว่าพอเรียกว่าโยคีแล้วไม่ธรรมดาใส่คำว่าบุคคลเข้าไปอีกจากนั้นต่อไปผมจะเรียกวาทัานทั้งหลายเป็นพระโยคีบุคคลดีไหมเนี่ใ เอาบัตรมาตัดติดไว้เธอท่านวันจนะใส่พระโยคีบุคคลรูปที่หนึ่งลงหน้านิสสอยก็พระโยคีบุคคลรูปที่สองใส่ท่านนีนพระโยคีบุคคลรูปที่สาใส่ถ้าเป็นโยมธรรมดาที่นั่งวางอยู่ตรงนี้บอกโยคีบุคคลแปลว่าอะไรบุคคลที่ประกอบประกอบความเพียรเพียรเพื่ออะไรประกอบสัมมาปทานนี่เลเพียรในการที่จะละ บ, บาปเก่า บาปเก่าทุจริตเก่าอคติศรากรรมเก่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์บาปใหม่ทุจริยใหม่นีที่ยังไม่เคยเกิดและจะเกิดเนี่ยจะไม่ให้เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์แล้วก็จะประกอบกุศลคือศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็จะประกอบศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบู์พิญโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นไป จนถึงอัปปนาแล้วก็จะต่อจากอัปปน า, าก็ไปถึงวิปัสนาญาณขจัดกิเลสให้หมดสิ้นจากขันธสันดานให้จงได้เขาเรียกว่า <c oughs> พระโยคีบุคคลอยากเป็นนี่ยัง <c oughs> อยากเป็นพระโยคีอยากเป็นโยคีบุคคลหรือยงังเขาเรียกผู้ประกอบสัมมารประธานแต่องค์ธรรมจริงๆต้องจัดลงตรงนั้นประกอบความเพียรความเพียรที่สร้างสรรค์ด้วยนะไม่ใช่เพียรแบบเพียรโกรธเนี่ยไม่เอาไม่เอา เริ่มเห็นได้อยังเค่เางปอ้าวทีนี้ต่อทีนี้วิธีจิตเนี่ยที่จัดแจงปรงแต่งอั ป, ปนาหรือวิธีจิตที่เป็นเหตุแห่งการเจริญกรรมฐานเบื้องต้นเนี่ยพระโยคีบุคคลเนี่ยควรทำให้เกิดขึ้นติดต่อกันอยู่เรื่อยๆๆืยๆรืๆทำอะไรทำศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นทำกุศลจิตเป็นต้นให้เกิดขึ้นรื่อยๆเืๆ และทําให้ทวีคูณมากๆยิ่งขึ้นไปเป็นไปตามลาดับฉะนั้นวิถีจิตนั้นชื่อว่าบริกรรมมภาวนาะกุศลจิตนั้นชื่อว่าบริกรรมมภาวนาะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยทำกุศลจิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆโดยการปารบหรือระลึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นเนี่ยระลึกไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆวัตถุประสงค์ว่า ลมหายใจเข้าออกเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้กุศลจิตเกิดหรือกรรมฐานอะไรก็ได้เช่นปัทวีคสินนี้เป็นเห็นไหมเป็นแค่อุปกรณ์นะเป็นลมเป็นแค่อุปกรณ์ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นแค่อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้วิถีจิตที่เป็นกุศลจิตนั้นนะ่ะไปตั้งในอารมณ์นั้นแล้ว มีสติจับในรมณนั้นแล้วระลึกในลมนั้นแล้วเนี่ยตรึงอารมณ์นั้นไว้แล้วก็ทําให้กุศลจิตเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆติดต่อติดต่อกันอย่างติดต่อและต่อเนื่องไม่ให้บาปแทรกได้เลยนั่นแหละบริกรรมมภาวนาเริ่มแล้วอันนี้เห็นไหมเกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีจุดหมายปลายทางนี่ก็เรีบริกรรมภาวนาเริ่มเข้าใจคําว่าบริกรรมภาวนายังทีนี้ วิถีจิตที่เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นติดต่อกันเรื่อยๆนี่แหละในขณะที่กำลังบริกรรมว่าบริกรรมว่าไงถ้าเป็นปัทวีเกษตรก็ปัทวีปัทวีปัทวีปัท ว, ว, วีนึกในใจอย่างนี้ถ้าเป็นลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกก็นึกในใจว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้มีสติกากับ ม, กมีสติกาหนด รู้เนี่ยมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้ามีสติกำหนดรู้หายใจออกก็คือให้รู้สึกว่าขนาดนี้หายใจเข้ารู้สึกว่าหายใจออกรู้สึกว่าขนาดนี้หายใจเข้ารู้สึกว่าขนาดนี้หายใจออกในขณะรู้สึกเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นเป็นต้นไปนั้นเขาเรียกว่าปริกกรรมภาวนาถ้าไม่รู้สึกหายใจเข้าก็เฉยหายใจเข้าออกก็เฉย ง ง, งมืนมือนอันนี้ไม่เรียกว่าบริกรรมภาวนาเข้าใจไหมคำว่าบริกรรมภาวนาแปลว่าวิถีจิตที่เป็นกุศลและจิตที่มีสติกำกับอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกต้องเกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องเสมออย่างนี้เขาเรียกว่าบริกรรมอภาวนาเริ่มหรือยังเริ่มหรือยังเ ร, เริ่มแล้ว ไอการที่มีสติรู้สึกว่าหายใจเข้าและหายใจออกเนะี่ยเรียกว่าบริกรรมแล้วครับเรียกว่าบริกรรมเรียบร้อยแล้วแต่ของเรามาสัมทับมายุคหลังมาสัมทับบอกว่าให้มันชัดลงไปอีกพอรู้สึกว่าหายใจเข้าก็ให้พุทธพอหายใจออกก็ทอเข้าไปอีกอันนี้รุ่นหลังรุ่นหลังแต่ถ้าในตำราในคำพิอัติกถาอีการเขาให้นับ นับนับหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่ไหมไปนับวิธีการนับก็มีหลายวิธีแต่จริงๆคาว่าปริกรรมเนี่ยมันสำริดผลตรงที่มีสติรู้สึกว่าหายใจเข้ามีสติว่าหายใจออกตรงนั้นน่ะเรียกว่าปริกรรมมะภาวนาะถ้าทำให้ติดต่อต่ อ, ตอเนื่องโดยสติไม่หลุดหายไปเรื่อยริกรรมภาวนาเกิดขึ้น ทำใม้วิ riding, ถีกุศลเจตเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นติดต่อกันทั้งหายใจเข้าหายเจ้านี่บริกรรมมาภาวนาไปได้เื่อยเรื่อเืยอย่อยเห็นอย่างไม่ใช่บริกรรมคือท่องบนอย่างที่เราว่านี่เราบริกรรมของในความหมายของท่านคับในความหมายของคนในยุคนีกน้นก็ละอย่างบางคนว่าอ้านี่มลเกจจีอาจารย์มาบริกรรมหน่อยของจะได้ขังไปใหญ่เลยเดี <laughs> ๋ยวนียเลยกลายเป็นปุกเสกไปเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหม อันนั้นก็ว่ากันไปยาวเลยถ้าจะคุยเรื่องนี้เพราะจะชัดไหมรู้ในภาษาศาสนารู้อะไรต้องรู้ให้ชัดถ้าไม่ชัดไม่ใช่รู้แบบคุมเคือไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่จะว่ายังไงก็ได้ ให้อยู่กับกรร ม, มาฐานคือที่ตั้งของจิตถ้ามันหลุดไปก็ตั้งใหม่ถ้าหลุดไปก็บริกรรมใหม่บริกรรมใหม่คาบริกรรมก็คือมีสติระลึกรู้สึกตึกใหม่นีแหละบริกรรมให้ติดต่อและต่อเนื่องทีนี้วิถีจิตหรือกุศลจิตที่เกิดขึ้นติดต่อกันเรื่อยๆในขณะที่กาลังบริกรรมว่าเข้า ออกอะไรถ้าเป็นปะทวีเป็นบริกรรมในบริกรรมในด้านของกรสินนะเช่นปะทวีปะทวีปะทวีเงี้ยหรือปะทวีกสินนังปะทวีกระสินนั่งเช่นเราเพ่งดินหนึ่งครึบกะหนึ่งครึ่บกระสินิ้วทําเป็นดินเป็นวงกลมแล้วก็เพ่งใช่ไหมพอเพ่งก็บริกรรมว่าในใจนะดินดินดินดินดินดินดินดินดินล้เลือกอย่าเงี้ย ใจจิตสติที halfway, speaking, jumping, laughing, ่เลลึกเลยลึกเลยลึกถึงดินดินดินดินดินให้จิตเกิดขึ้นติดต่อติดต่อติดต่อต่อเนื่องติดต่อต่อเนื่องเนี้ยนี่ก็เรียกว่าบริกรรมหรือถ้าลมหายใจเข้าออกอย่างที่บอกเมื่อสักครวิถีจิตนั้นชื่ออะไรชื่อว่าบริกรรมมภาวนาไอตัววิถีจิตที่เกิดขึ้นกุศลจิตที่เกิดขึ้นนั้นนะที่ติดต่อต่อเนื่องก็เรียกบริกรรมภาวนามาจากคำว่าปาริกรรมมันจะตั้งภาวนาจาริปริกรมมาภาวนา วิถีจิตใดชื่อว่าบริกรรมด้วยชื่อว่าภาวนาด้วยฉะนั้นวิถีจิตนั้นชื่อว่าปริกรมกาาากรมว่าภาวนาวิถีจิตใดกุศลจิตใดชื่อว่าบริกรรมด้วยชื่อว่าบริกรรมก็คือสติที่กําลังระลึกดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกตัวหายรู้สึกว่าขณะนี้หายใจเข้ารู้สึกว่าขณะนี้หายใจออกรู้สึกว่าขณะนี้หออาย ใ, ใจเข้า รู้สึกว่าขณะนี้หายใจออกนั่นแหละเขาเรียกปริกรรมและทําให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นทําให้กุศลจิตเกิดขึ้นติดต่อกันอย่างติดต่อและต่อเนื่องด้วยจึงชื่อว่าภาวนาเมื่อรวมกันแล้วส่วนที่กันแล้วจึงเรียกว่าปริกรรมภาวนา <c oughs> ถ้าไม่เจริญขึ้นไอ้วิถีจิตนั้นถ้ากุศลจิตนั้นไม่เกิดขึ้นติดต่ อ, อกันเจริญขึ้นไม่เรียกว่าบริกรรมว่าภาวนา จะภาวนาแปลว่ากุศลจิตต้องเกิดขึ้นเรื่อยมีพลังมากขึ้นเรื่อยจัดแจงมากขึ้นจัดแจงมากขึ้นจัดแจงให้มีพลังมากขึ้นมีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีสติแข็งแรงมากขึ้นสมาธิก็เริ่มตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาก็รู้ชัดได้มากขึ้นเรียกว่าปริกรรมภาวนาเริ่มโอเคหรือยังเนี่ยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าชัดรู้ต้องชัด ในศ า, าสนาห้ามมีใครสอบถามอะไรไหมความรู้สึกจิตนั่นเองจิตที่คิดนั่นเองคำว่าวิถีนี่แปลว่ามันเกิดเป็นแถวเป็นแนวเหมือนว่าวิถีเป็นว่าทางทางเดินของจิตการเกิดขึ้นของจิตจติดเกิดขึ้นติด ต, ต่อต่อเนื่องในการระลึกเรื่องอะไรอยู่นั่นแหละวิถีจิต มีใครถามอะไรมไหมไม่มีเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าใจคำว่าบริกรรมไหมลองช่วยอธิบายหน่ยทีเอ็มเมื่อกี้ว่าอธิบายว่าชัดแล้วนะนี่ เข้าใจคำว่ากับบริกรรมไหมอ่าหมายถึงอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยอมถามเนี่ย เราไปฟังกันอีกรอบหนึ่งนะไปฟังบ่อยๆอะต่อไป น, นี่ได้แล้วนะบริกรรมมะภาวนาเริ่มได้แล้วใช่ไหมเป็นการกระทำเบื้องต้นนะเอาพัฒนาต่อจากบริกรรมมาภาวนาเป็นอุปจาระภาวนาเนี้ยหมายถึงอะไรอุปจาระพภาวนาก็คือมหากุศลเหมือนกันแต่เป็นมหากุศลที่มีความเริ่มมั่นคงขึ้น หรือถ้าเกิดขึ้นในอัธยาศัยของพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายเขาเรียกมหากิริยาจิตเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นกับเร า, เราท่านทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกมหากุศลที่เกิดขึ้นใกล้ ก, กันกับอัปปนาชานจึงเชื่ออุปจาระใกล้ต่ออปปนาชานนะจึงเรียกอุปจาระคําว่าอุปจาระมันมาจากคาว่าอปปนายะสมีเปจรติปวัตตติติอุปจารัง กุศลจิตวิถีจิตอันใดที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันกันกบขอบเขตของอัปนาชานฉะนั้นวิถีจิตนั้นจึงที่ว่าอุปจาร ะ, ย, าระยังไม่เป็นอัปนาแต่เป็นอุปจาร ะ, าระถ้าเป็นอุปจาระเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องชานเล็กๆในน้อยที่เรียกปริตตะชานเนี่ยเขาได้แล้ว<อ>เป็นปริตตะชานแล้วเป็นชานที่ยังมีอนุภาพ น้อยแต่ขนาดอนุภาพน้อยก็นิวรธรรมก็หายจากจิตแล้วเนะี่ไม่ธรรมดานะครับถ้าใครได้อุปจาระเนี่ยเดินพุทธคุณเนี่ยขอบเขตของเขาได้แค่อปนาเออได้แค่ได้แค่อุปจาระไม่สามารถถึงอปนาได้ฉะนั้นกุศลจิตเนี่ยถ้ายังไม่ถึงขอบเขตของยังไม่เขายังไม่ก้าวเข้ า, เ ข, าขเขตของอุปจาระยังเป็น บริกรรมหรือเป็นคณิกะอยู่ตราบใดก็เป็นบริกรรมมาภาวนาถ้าดูตรงไหนดูตรงที่เขาสามารถสกัดนิวรธรมมรมการมชฉันทะพยาบาทถีนวิทาอุทธาจากกุกุจักวิจิกิจชาออกได้ใจโปร่งโลง่งเบาใจสงบแล้วตั้งมั่นแล้วนี่เป็นอุปจาระเขาแปลว่าใกล้ใกล้ ใกล้เคียงกับขอบเขตของอปนาฌานฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปจาระวิถีจิตที่ชื่อว่าอุปจาระนี่แหละพายโยคีก็ดีโยคีก็ดีผู้ประกอบความเพียรเนี่ยควรกระทาให้เกิดขึ้นเรื่อยๆโดยให้ทวีมากยิ่งๆขึ้นไปฉะนั้นวิถีจิตนี้ชื่อว่าอุปจาระมาจากอะไรเนี่ยอุปจารัญจะตังภาวนาจาติอุปจาระภาวนาวิถีจิตใดชื่อว่าอุปจาระด้วย ชื่อว่าภาวนาด้วยวิถีจิตนั้นชื่อว่าอุปจาระภาวนาคาว่าชื่อว่าอุปจาระแปลว่าอยู่ใกล้ด้วยอยู่ใกล้ขอบเขตของอปปนาที่เราจิตแนบแน่นด้วยแล้วก็กำลังเข้าถึงความเจริญทวีคูณมากๆยิ่งขึ้นไปด้วยนี่เรียกว่าอุปจาระภาวนาใช่ถ้าใกล้อย่างเดียวแต่ไม่เจริญขึ้นเป็นไปตามลำดับ จะเป็นภาวนาได้ภาวนาแปลเจริญขึ้นเกิดขึ้นมีขึ้นใช่ไล่ะเป็นอุปจาระด้วยเป็นภาวนาด้วยเรียกอุปจาระภาวนาทีนี้ไอตัวอุปจาระภาวนาเนี่ยในขณะที่เป็นอุปจาระภาวนาเนี่ยแปลว่าจิตเริ่มเป็นอิสระจากกิเลสได้ ย, ยังเป็นแล้วสกัดความกำหนัด ขัดเครืองหดหูท้อถอยพุ่งส่น่นลำคาญใจลังเลสงสัยออกจากจิตได้หรือยังออกได้แล้วตรงนี้มันเป็นภารกิจเป็นภานกิกที่ยากแต่ถ้าใครทำได้จะมีความสุขมากถ้าท่านไปทากันได้วันนี้ท่านจะมีความสุขวันเนี้ยเหนไก็อยู่ที่เราจะ มันจะเป็นความสุขมันจะเป็นความปลอดโปร่งจะเป็นความโล่งเบามากภาวะอย่างนี้กันนบะว่าดีแล้วนี่เรื่องภาวนาได้กี่ภาวนาแล้วได้สองภาวนาแล้วนะหนึ่งบริกรรมภาวนาสองอุปจาระภาวนาบริกรรมมาภาวนากับอุปจาระภาวนาต่างกันตรงไหนต่างตรงที่ว่าบริกรรมภาวนายังไม่สามารถขจัดนิวรธรรมไม่ออกจากใจได้ แต่ถ้าเข้าถึงอุปจารลภาวนาแปลว่าบริตัวตั ว, ตวนิวราธรารมทั้งหลายเนี่ยกระเด็นกระดอนออกจากจิตแล้วแต่ภารกิจยังไม่จบต้องทำต่อเพราะจุดหมายจริงๆคือต้องให้ได้อปปนาต้องให้ได้อปปนาคือความแนบแน่นนะอา้าวทำต่อเห็นไหมสังเกต ด, ดูนะว่าตัวสภาวะเขาได้แก่มหากุศลได้แก่มหากิริยาเอาคบเน้นที่กุศลดีกว่าอย่างเราๆทั้งหลาย กิจยาของพระอาจารย์ท่ากุศลลจิตเนี้ยหรือมหากุศลเลยถ้าเป็นมหากุศลแบบเดี๋ยวก็รับรูปเป็นอารมณ์เสียงเป็นอารมณ์กลิ่นเป็นรมก็เป็นมหากุศลที่ไม่แข็งแรงเข่นไปให้ทานเอ่ยรักษาศีลมันก็ยังเป็นกุศลที่ยังอ่อนแออยู่นะแต่อ่อนแอก็มีผลมากมีเอสองมากนะแต่ถ้าเป็นกุศลที่มีการฝึกนะ จัดแจงเพื่อต้องการให้เข้าถึงความตั้งมัน่นจัดแจงปรุงแต่งเพื่อให้จิตแนบแน่นคืออัปนะให้เกิดขึ้นอุปจาระเป็นทางผ่านเป้าหมายจริงๆคืออัปนะเพราะว่าปริกรรมมาภาวนาเขาต้องการจัดแจงปรุงแต่งอัปนานะใช่ไหมละ่ะเหมือนเราต้องการอยากจะไปเชียงใหม่ถ้าวิ่งขึ้นไปจากจากกรุงเทพออกจากกรุงเทพมันต้องผ่านอะไร ผ่านปฐุมผ่านนายุทธยาก่อนใช่ไหมไปตามลำดับเนี่ยสระบุรีก็ไล่ไปเถอะไล่ไปเรื่อย ๆ, ๆแต่เราต้องการไปเชียงใหม่นี่เหมือนกันต้องการจริงๆเนี่ยบริกรรมอภาวนาเ็ามีจุดหมายคือต้องการจัดแจงปงแต่งอภปนาจิตให้เกิดชาณาจิตให้เกิดฉะนั้นเขาต้องผ่านอุปจาระ อุปจาระเป็นทางผ่านแต่อุปจาระนี่ก็นับว่าโอ้โหในยุคนี้แค่ได้อุปจาระนี่ก็เบิกบานผ่องใสกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วบางคนบอกโอ้โหสมรทธ์ผลแล้วแค่แค่อุปจาระแค่นั้นน่ะไปใหญ่แล้วแต่ดึงไม่อยู่แล้วบางคนได้แค่อุปจาระแค่นี้บางคนดึงไม่กูไม่กลับแล้วโดยเฉพาะที่เป็น ไม่ได้แนบแน่นกับครัวจารหรือกระยาญมิตรที่ชานฉลาดที่แล้วไปเองเลยสาคัญมั่นหมายเป็นคุณวิเศษกันเยอะแยะหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรพอ ไ, ได้คถอะเอต่อไปอัปนาภาวนาคืออะไรอปนาเนี่ยเป็นชื่อของอะไรแหมถ้าเจาะลงไปจริงๆเป็นชื่อของวิตกนะครับในยะแรกนี่ก่อนเนี่ยเป็นชื่อของวิตกโดยตรงนะ ส่วนมหาคตาจิตก็ดีโลกุตละก็ดีเจรสิกที่เรียกว่าอปนานั้นเป็นการเรียกโดยอ้อมตามในแห่งเ้าเรียกว่าอาวยะอุปจารายัยก็หมายความว่ายกชื่อของวิตกขึ้นมาตั้งไว้ในธรรมที่ประกอบกันกับวิตกนี่โดยตรงก็คือวิตกโดยอ้อมก็คืออุบนั่นแหละมหาคตา ตรงนี้วนจะนะถาก็ามาจากคาว่าอเปติสัมปยุตธรรมมีอารมณังอภินิโรเปติติอปนาพูดบาลียอมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันอแปลเลยธรรมชาติใดย่อมยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์เฉพาะหน้าฉะนั้นธรรมชาตินั้นได้แก่อปนาธรรมชาติที่ยกสัมปยุตธรรมคืออะไรวิตกวิตกธรรมชาติที่ยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์ แต่วิตกในทีนี้เป็นวิตกที่ในมหาคตจิตเป็นวิตกที่ในรูปาวจรจิตไม่ใช่วิตกในกามจิตถ้าวิกรรมเขาเรียกยกเช่นยกไปในกามเนี่ยเช่นตรึกเรืองคิดเรื่องกามเขาเรียกกามวิตกคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นเขาเรียกเป็นพยาบาทวิตกคิดเบียดเบียนให้คนอื่นเดือดร้อนเขาเรียกเป็นวิหิงสาวิตกใช่ไหม แต่ในที่นี้ขับเน้นมาเรื่องเนคขมะวิตกเนคขมะในที่นี้ก็คือออกจากกามฉะนั้นสัมปยุต ธ, ธรรมที่ถูกยกขึ้นมาด้วยกำลังของวิตกเนี่ยธรรมชาติใดยกสัมปยุต ธ, ธรรมคือวิตกเนี่ยเขาเกิดร่วมกันกันกบจิตและเจตสิกอื่นๆในจิตนี่นะในจิตของมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่มีไม่ใช่มีจิตอย่างเดียว มีเจตสิกธรรมเกิดร่วมด้วยเขาเรียกว่าจิตเป็นวิญญาณขันเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดในใจเป็นเวทนาขันสัญญาคือความจําก็เป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือเป็นสังขารขันทีนี้ถ้าเป็นจิตฝ่ายดีกลุ่มมหาคตจิตแล้วเนี่ยก็มีวิตกอยู่ด้วยฉนันวิตกเนี่ยเป็นชื่อของ อปนาโดยตรงในในในในมิตินี้ในความหมายแรกนี้ยกขึ้นวิงั้นวิตกเนี่ยธรรมชาติใดย่อมยกนะที่บอกว่ายกสัมยุธธรรมขึ้นสู่อารมณ์เฉพาะหน้าก็คือยกจิตยกเจตสิกให้ขึ้นสู่อารมณ์หรือตั้งมั่นในอารมณ์เฉพาะหน้าเช่นในนิมิตทั้งหลายเนี่ย มีปฏิภาคคณิมิตเป็นต้นเนี่ยนะในขณะที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เฉพาะหน้าฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอปปนาได้แก่วิตกองค์ฌานวิตกองค์ฌานที่ประกอบกับมหคตจิตแต่วิตกเนี่ยมีวิตกทำงานแล้วทีนี้ธรรมชาติใดเป็นอัปปนาด้วยเป็นการกระทาที่ ถึงแล้วซึ่งความเจริญนั้นด้วยฉะนั้นธรรมชาตินั้นเรียกว่าอัปนาภาวนานี่ในความหมายนี้ก่อนนะฉะนั้นคนที่ได้หรือบุคคลที่ได้ฌานหรือได้อัปนาจิตในครั้งแรกได้ความตั้งมั่นอย่งจิตได้จิตที่เสถียรจิตที่ตั้งมั่นในครั้งแรกเนะี่ยวิตกมีบทบาทสําคัญมากที่จริงในองค์ฌานนั้นมี5วิตกวิจารปิติ สุขเอกคตาวิตกเป็นปฏิปักต่ออะไรทีนมิทะใช่ไหมวิตกเป็นปฏิปักต่ออะไรไนวิตกเป็นปฏิปักต่ออะไรปีติเป็นปฏิปักต่อพยาบาทเอกคตาเป็นปฏิปักต่อการมชันทะ สุขเวทนาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อทุกเวทานาทั้งหลายเป็นต้นหล่านี้แล้ววิตกะวิจาร์เนี่ยวิจาร์เป็นปฏิปักษ์ต่อวิจิกิจฉาวิตกก็เป็นปฏิปักษ์ต่อทีนมิทะใช่ไหมไ่ไหวหาที่พึ่งแถวนี้ไม่ค่อยได้หาที่พึ่งคนฟังข้างนอกก็ไม่ตอบกันสักทีลาบากจริง เหมือนเหมือนอยู่เดียวดายยังไงก็ไม่รู้เหมือนอยู่ในถ้ำกลางคนแต่ก็เดียวดายไล้ไล้มิตรไล่เพื่อนอย่าทําอย่างนั้นดิเวลาฟังทำตั้งใจฟังและในขณะเดียวกันก็จิตก็ น, น้อมฟังด้วยความเคารพและลึกถึงพระธรรมคําสอนคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ให้ความลังเลสงสัยความโอถู่ท้อถอยกุ้มลมในใจใช่เพราะถามพบตอบได้เวลาพระเจ้าแสดงธรรมก็ถามมาดูก่อนพิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ทราบพระเจ้าข้าไม่มีนะพระก็จะตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลบวนเป็นธรรมดา ควรลืนหนอที่จะตาเปียนสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรไ้เจ้าค่ะใช่ไหมพระท่านตอบกันได้หมดว่าเราเวลาถามอะไรปุ๊บไม่ชาบคร icism, normal, <laughs> <laughs> <laughs> okay, ับแสดงคำว้าเวมากเดี๋ยวนี้เวลาไปแสดงคำที่ไหนว้าเวมบ่งบอกถึงชาวพุทธลืมพระธรรม ลืมพระธรรมแปลว่าลืมพระพุทธเจ้าแปลว่าลืมพระสงฆ์ใช่ไหมเมื่อพุทธบริษัทลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระอริยสงฆ์ก็เลยไปลืมศึกขาสามด้วยลืมสีสมาธิปัญญาลืมธรรมะใดเป็นปฏิปกักษต่อธรรมะใดอย่างนี้เป็นต้นเหงาเนอะเดี๋ยวนี้เวลาแสดงธรรมที่ไหนเหงามากรู้สึกห่างเหินเหมือนอยู่คนละโลกไงก็ไม่ อันนี้ก็มาบ่นในเราฟังอยากให้พวกเราใกล้ชิด พ, พระรัตนตรยัยถามอะไรก็รู้เข้าใจแล้วก็น้อมที่จะฟังอย่างติดต่อและต่อเนื่องนะฟังธรรมมก็มีความสุขสดชื่นเบาสบายมีความสุขจิตใจโปร่งโล่งเบาไม่เครียดไม่กลุ่มไม่ทุกข์เห็นไหม อย่าพอพูดถึงเรื่องบริกรรมมาภาวนาโอรู้ได้แก่มหากุศแลจิตนะเกิดขึ้นเริ่มต้นแต่เริ่ ม, รมแรกอย่างงเพัฒนาขึ้นจัดเนี่ยเป็นจิตที่จัดแจงปรุงแต่งที่จะทําให้อั ป, ปนาเกิดขึ้นโอรู้ทันทีพอพูดถึงอุปจาระบอกอ๋อวิธีจิตที่อยู่ใกล้ขอบเขตของอั ป, ปนาจิตแปลว่าพัฒนาขึ้นมาแล้ว ทวีคูณขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นไปตามระดับในด้านของความตั้งมั่นนิวรธรรมเริ่มหลุดจากจิตแล้วพอถึงอปปนาเนี่ยเข้าถึงความแนบเน่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นฌานนะจิตเป็นมหาคตาจิตเป็นจิตที่เป็นใหญ่เป็นจิตที่ประเสริฐเพราะว่าสามารถละบาปกุศลกรรมอันชั่วร้ายก็คือพวกกามธรรมได้ด้วยวิคัมพนาประหารด้วยการข่มไว ฉะนั้นอปปนาในความหมายนี้เป็นชื่อของวิตกโดยตรงส่วนมหาคตาจิตโลกุตระจิตเจสิกนั้นเรียกว่าอปปนานั้นเป็นการเรียกโดย อ, อ้อมต้อเข้าใจตัดทีงั้นอวิตกองค์ชานนี่แหละธรรมชาติได ย, ย่อมยกสำยุทธรรมขึ้นสู่อารมณ์เฉพาะหน้าฉะนั้นธรรมชาตินั้นเรียกว่าอปปนาได้แก่วิตกองค์ชานที่ประกอบด้วยมหาคตาที่ประกอบกับมหาคตาและประกอบกับโลกุตระจิตที่เป็นโลกุตระก็ต้องมีวิตตกนะเพราะวิตตกเป็นหนึ่งใน องมารคด้วยเป็นสัมมาสังกปะใช่ไหมถ้าพูดถึงอัปนาจิตเขาก็เป็นอยู่ในฌานาจิตฉะนั้นวิตกจึงจัดว่าเป็นโดยตรงเลยธรรมชาติใดเป็นอัปนาด้วยคือตั้งมั่นด้วยและเป็นการกระทําที่ถึงแล้วซึ่งความเจริญขึ้นด้วยฉะนั้นธรรมชาตินั้นเรียกอัปนาภาวนาแปลว่าเจริญหรืยังเจริญแล้วประสบความสําเร็จในการในการที่ปริกรรมะในการจัดแจงบุงแต่งหรือยังประสบความสําเร็จแล้ว เป็นอั ป, ปนาภาวนานี่เป็นจุดมุ่งหมายที่พุทธบริษัทพึงกระทำให้ถึงพึงทำให้มีให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เอามานั่งเถียงกันหรือมานั่งคุยกันเล่นๆเพราะถ้ายังไม่ได้ภาวะจิตแบบนี้ให้เกิดขึ้นก็เดือดร้อนดิก็ถูกกิเลสโจมตีใช่ไหมเอา้าดูต่อในภาวนาทั้งสามนี้ มหากุศลมหากริยาชนะที่เกิดขึ้นก่อนมหาคติฌานนั้นน่ะนั่นแหละชื่อปริกกรรมมภาวนาแต่ปริกกรรมมภาวนานี่ถูกแบ่งเป็นสองตอนนะเข้าใจนะปริกกรมมภาวนาถูกแบ่งหรือมหากุศลกับมหากริยาเนี่ยถูกแบ่งเป็นสองตอนแบ่งยังไงปริกกรรมภาวนาแบ่งยังไงตอนแรกของมหากุศลมหากริยาที่เกิดขึ้น ที่ยังห่างไกลจากม้าคาตาชานนั้นมหากุศลมหากิริยา น, นั้นชื่อว่าบริกรรมภ า, าวนาแรกๆเลยอ่ะยังห่างไกลกับปานามากมหากุศลที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มต้นกําลังเริ่มเขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าสมาธิต้นเขาสมาธิครั้งแรกหรือการตั้งมั่นครั้งแรกการฝึกครั้งแรกการเริ่มเจริญครั้งแรกที่เป็นมหากุสลเนี่ยเอามหากุสลก่อนมหากริยาเป็นของพระอหารไม่ต้องพูดถึง ที่กำลังเกิดขึ้นแรกๆวิถีจิตที่เป็นมหากุศลเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยที่ยังห่างไกลกับอปนานี่ยมหากุศลที่เกิดขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนั้นน่ยเขาเรียกว่าปริการมภาวนาเมื่อเกิดขึ้นเรื่อยๆและมีกําลังทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลําดับเกือบใกล้ฌานนจิตใกล้มหากตาฌานใกล้ฌานาจิตใกล้อัปนามหากุศกัจิตนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเรียกว่า อุปจาระภาวนา ไ, ไอตัว บ, บริกรรมภาวนาก็แบ่งเป็นสองตอนตอนแรกๆของมหากุศนเรียกบริกรรมาภาวนาถ้าเริ่มใกล้ต่อฌานจิตอปนาจิตมากัตตาจิตตอนนั้นเรียกว่าอุปจาระภาวนาอุปจาระแปลว่าใกล้ใกล้ขอบเขตของอัปนาแล้วเมื่อทีนี้ สรุปได้ก็ได้ความวาบริการภาวนานั่นเองถ้าอยู่ใกล้กับมหากระตาชานจะเกิดขึ้นบริการมอาทานถูกเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นอุปจาและภาวนาถูกเปลี่ยนชื่อถ้าเรียนวิถีจิตจะรู้ชัดว่าผะวังกับผะวังกัจระเนี่ยก็คือผะวังนั่นแหละผะวังก็แปลผะวังกัจิตที่เกิดขึ้นประดาจิตลงผวังนี่นะถ้าเป็นผะวังกัจระแปลผะวังไหวแต่ยังเว้นผะวังอยู่ เหมือนกันมหากุศลที่เริ่มต้นของการเจริญตระเตรียมเริ่มลงมือทําเป็นการทํากรรมฐานเบื้องต้นมหากุศลนั้นเป็นบริกรรมมภาวนาชื่อเขาเรียกอย่างนั้นถ้าทําให้ทวีคูณเยอะๆขึ้นไปให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องจนเข้าถึงความแนบแนนระดับหนึ่งจนสามารถเอานิวรณ์หลุดจากใจได้ใกล้ต่อมหาคตถาใกล้ต่ออัปปนาจิตก็เลยเรียกชื่อว่าเป็น อุปจาระภาวนาพอเข้าถึงความแนบแน่นตั้งมั่นไม่วันไหวปุ๊บกลายเป็นอะไรกลายเป็นอปปนาเป็นฌานาจิตนี่สำเร็จผลเป็นอปปนาจิตแล้วพอจะเข้าใจชัดไหมมีใครสงสัยอะไรไ้มเนี่ยเริ่มยากขึ้นใช่ไหมลองนี่ไงมาเรียนกรรมฐาน กรรมฐานเป็นแบบนี้เราก็ใาช้เป็นชื่อบริกรรมาภาวนาบริกรรมาสมาธิคณิกาสมาธิเป็นชื่อเป็น ไม่รู้เดี๋ยวนึกได้ก็ไยถามตรงนี้เข้าใจแล้วเนาะพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวขึ้นแสดงนิมิตสามนิมิตสามมีใครถามอะไรไหมไม่มีเลยทุกคนเข้าใจหมดเลยพยักหน้าหมดเลย อา้าวดูบริกรรมมณิมิตอุกานิมิตปฏิภาคนิมิตคำว่าบริกรรมนิมิตเนี่ยอารมณ์ต่างๆมีปฐวีกสินเป็นต้นชื่อว่านิมิตนะนิมิตเนี่ ย, ม, ยมาจากกรรมธรรมมะใดพึงรู้เป็นนิสุด้วยจิต ด, ด้วยเจตสิกซึ่งเป็นอารามานิกธรรมทั้งหลายฉะนั้นธรรมานั้นชื่อว่านิมิตได้แก่อารมณ์ไม่ตรงใี่ต้อง อธิบายกันเยอะเลยแต่เฉพาะภาษาไทยเนี่ยกับภาษาของพระรัชกาภาษาของทางวิชาการถ้าพูดถึงอารมณ์เนี่ยคนทั่วไปโอ้วันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ไม่ดีไปเรื่องอะไรเนี่ยไปเรื่องของใจเลยโหวันนี้ตั้งแต่เช้ามาอารมณ์ไม่ดีเลยว่านั้นบางคนก็นแหมวันนี้ตั้งแต่เช้ามาอารมณ์ดีทั้งวันเลยอพนนี่บงบอกอะไรเนี่ย บอกอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีหมายถึงจิตแต่ภาษาทางโลกโลกเรียกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีแต่ในทางธรรมะเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้จิตไม่ดีเลยอกุศลจิตเกิดเพียบวันนี้จิตดีจังมีศรัทธามีกุศลจิตเกิดไงนะอารมณ์กับกายเป็นเรื่องที่จิตเข้าไปรู้จิตที่เข้าไปรู้จิตที่เข้าไปรับ เรีว่อารมณ์อารมณ์ที่ทาให้จิตรู้อารมณ์ใช่ไหมเป็นไปลักษณะแบบนี้คำว่าบริกรรมมนิมิตเนี่ยคือนิมิตของบริกรรมมันมีบาลีคำว่าราชปุตโตเคยได้ยินคำนี้ไหมซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าอรรถของพระราชาหรือบุตรของพระราชาข้อนี้ฉันใด คำว่าบริกรรมนิมิตก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันยังไงอารมณ์ของบริกรรมภาวนาชื่อว่าบริกรรมมนิมิตอารมณ์ของบริกรรมภาวนาชื่อว่าบริกรรมมนิมิตได้แก่รูปอารมณ์หรือผลถภารมหรือธรมารมณ์ซึ่งเป็นองค์กรรมฐานที่พโยคีหรือผู้ปฏิบัติใช้เจริญเอาแต่นี้ ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกในขณะที่มีสติไปกําหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไอ้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่สติไปจับไปตรึงเขาไว้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตขยันยังเขาเรียกนิมิตสติเนี่ยที่เข้าไประลึกรู้ ก็แปลว่าจิตนั่นแหละเข้าไปรู้เมื่อสติจับอารมณ์อะไรไว้อยู่จิตก็รู้ในเรื่องนั้นท่านจึงบอกว่านิมิตเนี่ยเป็นธรรมะอันใดพึงรู้ด้วยพึงรู้เป็นนิดตด้วยจิตด้วยเจสิกถ้าเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเป็นกิจที่จิตต้องเข้าไปรู้ เรเอกว่าสติเข้าไปรู้ก็ได้จิตที่เจสิ่งที่เข้าไปรู้ก็คือความรู้สึกที่เข้าไปรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถามว่าอะไรเป็นนิมิตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นต้นนั่นแหละเป็นนิมิตให้จิตเข้าไปรู้ฉะนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยจึงเรียกว่านิมิตก็คืออารมณ์ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์ของ จิตเข้าไปรู้จิตเข้าไปรู้ฉะนั้นคำว่าบริกรรมนิมิตก็คือนิมิตของบริกรรมนิมิตของบริกรรมก็คืออะไรล่ะอารมณ์ของบริกรรมมาภาวนาในขณะที่กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหรือลมให้ใจออกอะไรเป็นบริกรรมนิมิตของคุณอะไรเป็นบริกรรมมาภาวนาคุณก็ต้องแยกให้ออกสิ บางคนตอบไม่ถูกเลยจะไปเจริญกรรมาฐานกันแล้วเรียกชื่อไม่ถูกเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันเป็นที่ให้จิตเข้าไปรู้นั้นนะ่เขาเรียกว่าบริกรรมมนิมิตจิตที่มีสติเป็นตัวนําที่ไปรู้ลมเข้าและวรู้ลมออกจิตนั้นเรียกว่าบริกรรมมภาวนาก็คือกุศลจิตเป็นต้นนั่นเองที่เข้าไปรู้เข้าใจอย่างแยกออกไหมเนี่ยพูดไปพูดมาหลายๆคนก็งงกันอีก ไม่รู้จักบริกรรมมณิมิตไม่รู้จักบริกรรมภาวนาอะไรเป็นอารมณ์อะไรเป็นตัวเข้าไปรู้อารมณ์บอกบริกรรมมณิมิตเป็นอารมณ์บริกรรมภาวนาเข้าไปรู้อารมณ์คือบริกรรมคือมิมิตนั้นแยกออกไหมล่ะจะเป็นนักกรรมฐานกันอยู่แล้วแล้วจะไปสอนกรรมฐานกันด้วยบางค น, นบางคนเรียนจบกรรมฐานกันแล้วเป็นครูกรรมฐานเป็นครูสมาธิใช่ไหม จริงไหมไปเรียนโคสมาธิมาจริงไหมเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยอ่ะถ้ามาถ้ามาเรียนกับฉันฉันให้ไม่ให้ผ่านเลยนะฉันไม่มอบใบประกาศให้หรอกเนี่ยฉันบอกว่าไม่ให้ยังไม่ใ ห, <c oughs> ให้ให้ให้ใบประกาศกันเนยเอะเหมือนอ้าวมีการร้องคอกันมาแนละ้ว ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยเป็นนิมิตใช่ไหมเป็นนิมิตถ้าเรียกให้ตรงๆก็เรียกบริกรรมมานิมิตก็คือตัวนิมิตของเขาคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกส่วนสติอ่ะที่กลมจิตไว้ให้เข้าไปรู้ลมเนี่ยนี่เขาเรียกบริกรรมภาวนาใช่ไหมสรุปแล้วว่าระหว่างบริกรรมมานิมิตกับบริกรรมมาภาวนาใครสำคัญกว่ากัน ใครสําคัญกว่ากันทีนี้ถามว่าระหว่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกระหว่างบริกรรมนิมิตกับบริกรรมมภาวนาเนี่ยใครเป็นตัวเจริญนะเราควรเจริญลมเราควรเจริญบริกรรมมณีมิตหรือควรเจริญบริกรรมมภาวนา บางคนบอกควรเจริญบริกรรมนิ์เขาบอกไปเจริญลมบางคนบอกไปเจริญลมก็งั้นนไปเจริญลมก็เป็นพวกโยคะไงไปฝึกหายใจใช่มในที่นี้คือเจริญสติใช่อาณาปานสติเนี่ยเขาเจริญสติหรือเจริญลมเขาเจริญสติ เพราะสติที่เจริญขึ้นนี่แหละเขาเรียกบริกรรมมาภาวนาจริตที่สติ ก, กลมจิตกำกับจิตเพื่อให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องนี่แหละาเรียกบริกรรมมาภาวนาแต่ลมมันก็มีมันอยู่แล้วไปเจริญทำไมไม่ต้องไปฝึกหายใจนั่นหายใจกันได้ตั้งแต่เกิดแล้วบางคนก็ต้องไปหายใจพยายามหายใจให้ยาวขึ้นให้เร็วขึ้น แลยผิดปกติผิดธรรมชาติไปเลยแต่เนี้ยแม่พยายามหายใจอย่างเงี้ยใช่ั้ยอันนั้นก็เรียกโยคะแต่ในพุทธศาสนาไม่ใช่โยคะนี่เริ่มเห็นไหมว่าลมเป็นนิมิตเป็นตัวกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งเป็นที่ที่ให้จิต ไปตั้งหรือให้สติเข้าไประลึกหรือไปตั้งในอลมนั้น mm hmm. เพื่อจะเอาลมมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกอะไรฝึกจิตให้เจริญขึ้นฝึกสติให้เจริญขึ้นการเริ่มกระทำครั้งแรกแล้วก็ทำให้วิถีจิตกุศลจิตนั้นให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องแปลว่าบริกรรมภาวนากำลังทาจิตแล้วนิมิตนั้นเป็นบริกรรมอนิมิต ก็คือตัวลมนั่นเองเริ่มเหียนไหมบริกรรมมณิมิตได้แก่รูปารลมก็ได้โพธพารมหรือธรรมารณ์ก็ได้ทีนี้ถามต่อเวลาเจริญปฐวีกรสินที่มีเอาดินมาทำเป็นวงกลมหนึ่งคืบกษะีนิ้วเนี่ยเอาไว้เพ่งเนี่ยเริ่มต้นในการเพ่งกรสินนั้นน่ะเป็นรูปารลมหรือเป็น โพธพารมหรือเป็นธรรม า, มารมอ่เป็นรูปารมก่อนใช่ไ้ย <Okay. S 1> เป็นรูปารมเป็นสีนั่นเองสี้องกสิณแต่พอจเจริญไปตามลำดับเรื่อยๆนะจากบริกรรมมานิมิตพัฒนาไปถึงอุคขานิมิตเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะอธิบายต่อทีนี้ แต่ อ, อกห h a n ิ m i t เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเยอะตรงนี้ยถ้าเป็น อ, อกนุก a h a n ิ m i t แล้วเนี่ยแปลว่าไม่ต้องเพ่งตัวนิมิตนั่นแล้วแปลว่านิมิตนั้นมาติดอยู่ที่ใจอย่างติดความรู้สึกแล้วหลับตาลืมตาเห็นแล้วนิมิตนั้นยังเป็นรูปารมณ์อยู่ไหมเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นโพธิพารมหรือธรร ม, า ม, มอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เรากดกับใจเรียบร้อยแล้วเห็นไหม มันเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยเอาแต่นี้เวลากำหนดลมให้ใจเข้าออกกำนัมดูลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกถามว่าในขณะที่เรากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเนี่ยเราใช้ตาดูหรือใช้ใจดูจจเราไปกำหนดผดถภาลมที่มันมากระทบที่ปลายจมูกหร่อลิมบ พ, พิปากที่เย็นเย็นล้ร้อนหรือกำหนดทมอารมณ์ เวลาเรากําหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยจะกําหนดสีของลมหรือกําหนดผลถภาลมที่วิ่งกระทบปลายจมูกหรือลิมนีปากจมูกสั้นจมูกยาวนี่ไม่เหมือนผลถภาลมหรือว่าจะกําหนดตัวธรมมาลมซึ่งเป็นตัวบัญญัติตกลงอานาปนสติเนี่ย กำหนดรูปารมณ์โหดทพารมหรือธรรมารมหรือกำหนดเสียงด้วยบางทีหายใจมีเสียงด้วยนะหายใจเข้าใช่ไหยเวลากระทบมีเสียง <c oughs> กระทบสรุปแล้วว่าเป็นรูปารม์เป็นสัทธารม์หรือเป็นโหดทพอารมที่กระทบหรือเป็นธรรมา ร, ร, รมหรือตัวบัญญัติเอาอะไรกันเน่ <c oughs> อาณาปานสติเนี่ย <c oughs> รู้อะไรนี่ <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยเห็นไหมเวลาเราจะไปเจริญอาณาปนานสติกันเราไม่เคยเรียนเป็นระบบกันจริงๆเลยเนี่ยมันน่าน่าเศร้าใจแทนเขาแต่ไม่ใช่ทุกใจนะไม่เคยรู้เลยอะ่ะให้กําหนดก็กําหนดกันไปอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่รู้เลยนี่ไปๆก็มึนนี่เดี๋ยวนี้งงดิคนไปปฏิบัติก็งงกันใหญ่แปลกมากเหมือนเหมือนคนมา ah หัดขับรถเนี่ย บอกคุณไม่ต้องหัดหรอกครับคุณขึ้นแล้วขับไปต่างคนต่างกลับชนกันตึงตั้งตึงตังไปเหมือนอย่างนั้นนะ่ะบอกวิธีไขกุญแจอย่างเงี้ก็ไปเลยว่างั้นเนียุ่งเลยครับไปแล้วไม่ต้องรู้กฎจราจรไม่ต้องรู้เรื่องรู้ราวเลยแล้วนี่ทำอย่างเงี้ยโอ้โหมก็ขับรถชนกันมั่วไปหมดสรีระยน์นือกระแสชีวิตเหมือนกันบอกจะเจริ น, น า, านาปาะนสติไม่เคยบอกนะไม่เคยมาแยกนะ สรุปแล้วมันไม่ใช่รูปารมณนะ์เนอะเราไมใ่ใจเข้าออกเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ผดทะพรมเนอะถ้าไปกําหนดผดทะพรมมันก็เป็นธาตุกรรมฐานสิมันไม่ใช่เป็นอนาปานะมันก็ไปกําหนดเอาก็เย็นร้อนไงใช่ไหมถ้ารู้สึกเย็นร้อนตรงนี้กรรมฐานไม่เรียกอนาปานะสติแล้วเขาเรียกธาตุกรรมฐานฉะนั้นต้องกําหนดตัวธรรมารมณ์ต้องเป็นบัญญัติเป็นสมุหานะ ไอ้ ก, กล่มก้อนของลมมันวิ่งเข้าวิ่งออกอะเพื่อจะไดเอาลมนั้นน่ะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายใ ห, ให้จิตเข้าไปรู้ mm hmm. เขาจึงเรียกว่าเป็นธรรมมาลม mm hmm. เป็นบัญญัติด้วย mm hmm. เขาเรียกอานาปานาบัญญัติน่ะอาณาปานาบัญญัติเข้าใจไหมลูกเ mm hmm. นี่ยเห็นไหมบวชมาตั้งนานยังตอบยังพูดกับยังจเจริญอาณาปานติสสนนเรื่องของโยมดีสงสยัยก็สงสยัสงสยไป กาาา็อาณาปานะอาณาปานะก็คือลมเข้าลมออกทัศติก็คือการมีสติไปรู้ลมเข้าลมออกส่วนอปนานมันเป็นชื่อของการตั้งมั่นของจิตมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชื่อของลมเอาต่อต่อตรงเนี้เออตรงนี้เริ่มชัดหรืยอยังสรุปแล้วอาณาปานะสติเนี่ยการกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่ไปกําหนดสีของลม ไม่ใช่ไปกําหนดเสียงของลมไม่ใช่กําหนดจุดกระทบแล้วให้รู้สึกเย็นร้อนอันนั้นเป็นเป็นภาตุรรมฐานเลยนะให้กําหนดธ ร, รมรมลมซึ่งเป็นบัญญตัติตัวสมูหะบัญญัติที่เข้าออกกลุ่มก้อนของลมเนี่ยมันมีดินน้ําไฟลมสีกินรสโอชาเพิ่มศรัทธาอีกหนึ่งแต่กําหนดตัวบัญญัติที่วิ่งเข้าวิ่ ง, ง, ง, งออกตัวกลุ่มก้อนของลมที่วิ่งเข้าวิ่งออกเพื่อจะได้เอามาเป็นนิมิต ไอตัวลมยังเป็นบริกรรมมณิมิตตัวสติและจิตที่เข้าไปรูป้จึงเรียกว่าบริกรร ม, มาภาวนาเริ่มเห็นนี่ยังพอจะโอเคไหมเริ่มไม่งงอลไรนะี้ยถ้าเข้าใจอย่างนี้เสียก็จะได้ทำอานาทำกรรมฐานได้ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงไม่ <laughs> ลำบากเหลือเกิน เนี่ยมันรู้สึกว้าเหว่เลอเกินเวลามาบรรยายธรรมะทีไรนี่ยก็จ ร, ริงจริงก็คือต้องการรู้บรรยัตินั่นแหละนะถ้าไปรู้ตัวโพธภารลมไปรู้ตัวสีขึ้นมามันก็จะกลายเป็นกรรมฐานอื่นไปใช่ใช่เอา้าดูอุการานิมิตนะเมื่อกี้บริกรรมอนิมิตจบไปแล้วนะ เ ด, เดี๋ยวจะเมือ่อวันนี้สงสัยได้ไม่เยอะนะเนี่ยนะได้นิดๆห น, น่อยก็จะจบใจซะอีกแล้วเนเสียดายจริงอ่ะไม่เป็นไรอุกขานิมิตอารมณ์กรรมฐานมีปฐวีกสินหรือลมหายใจเข้าออกเป็นต้นที่ปรากฏขึ้นแล้วทางใจโดยไม่ต้องอาศัยการเพ่งชื่อว่าอุคขานิมิตอุกขานิมิตเนี่ยหมายถึงว่า อารมณ์ใดพึงยึดโดยโมโนทวาริกะกุศลหรือชาวนะก็ได้อารมณ์นั้นชื่อว่าอุคาหะอารมณ์ใดที่พึงยึดแล้วด้วยโมโนทวาริกากุศลหรือกิยาชาวนะนี่แหละเป็นนิมิต ด, ด้วยฉะนั้นจึงเรียกว่าอุคาห์นิมิตวิถีจิตอันใดย่อมยึดซึ่งอารมณ์กรรมฐานวิถีจิตอันนั้นเรียกอุคาห์อุคาห์คือยึดคือจับอารมณ์นั้นได้แน่นแล้ว ใช่ก็คือตัวลงสู่มโนทวารวิถีท่านต้องการบ่งบอกว่าเวลาเราเพ่งกสินเนี่ยเราอาศัยทางจักขุทวารวิถีใช้ตาเพ่งซึ่งผิดกระลมนะครับลมไม่ใช่ใช้ตาเพ่งนะไม่ใช่เอาตาดูนะอาณาปณะใช้ใจลว้วนๆเลยทีนี้ทางทางการเพ่งกสินเนี่ยจะเป็นปฐวีกสินอาโปกสินเตโชกสินดินน้ําไฟลมหรือสีขาวสีเหลืองสีแดงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เรา เอามาทำเป็นลักษณะเป็นดวงกสินแล้วเพ่งเพ่งแรกๆน่ใช้จกักขคูทวารและวิถีแล้วก็เชื่อมโยงลงสู่มโนทวันถีลงสู่ใจนั้นะตลาดใดยังเป็นทางวิถีทางตาอยู่ยังต้องอาศัยทางตามองอยู่ก็ยังไม่เข้าถึงอุกะ่ะ แต่ถ้าลงสู่ทางใจแล้วโดยไม่ต้องมองผ่านทางทวาตาสามารถฉายภาพดึงภาพอันนั้นไว้เนแนบแน่นไว้ในใจภาพอย่างไรตัวนิมิตอย่างไรตัวบริกรรมนิมิตอย่างไรก็ไปติดใจนะลงสู่ในจิตใจก็เป็นเหมือนอย่างนั้นเหมือนถ่ายภาพลงไว้ในใจเลยเขาเรียกเป็นนิมิตติดตาก็ได้ติดใจก็ได้นั่นก็เรียกอุคขหะเป็นอุคหะานิมิตแล้ว ถามว่าไอตัวบริกรร ม, มนิมิตและโอกาสนิมิตทั้งสองเนี่ยมันต่างกันได้เพียงบริกรรมมนิมิตนั้นน่คือถ้ายังเห็นด้วยตาอยู่ที่เป็นปัจจุบันรูปารมณ์อยู่อันนั้นเป็นบริกรร ม, มนิมิตในการเพ่งกสินเนี่ยนะส่วนโอกาสนิมิตนั้นเป็นภาพที่เห็นได้ด้วยใจแล้วเป็นอดีตรูปารมณ์ไปแล้ว เมื่อว่าโดยรูปร่างสันฐานสีสันวันหน้าตลอดจนประมาณความเล็กหรือความใหญ่แล้วก็เหมือนกันทุกประการเลยเหมือนเราเพ่งอะไรปุ๊บเนี่ยมันมาอยู่ในใจเราเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยเป็นที่ เ, เพราะว่าเราไม่ต้องมองปัจจุบันนั่นแล้วอาศัยใจล้วนๆก็เห็นภาพติดใจติดตาเราแล้วเคยไหมเคยไปเพง่งศอกไหม พอเพ่งซากศอบปุ๊บศอบมันติดตาเราเป๊ะเหมือนเลยเนี่ยนี่ยเนี่โอกาสนี้ไม่ติดเลยเอาศอบที่เดินได้ก็ได้เหมือนโยมที่นั่งอยู่เนี้ยนี่ก็ศอบหนึ่งสอบสองสอบสามสบเพื่ไปเนี่ยเพ่งไปเนี่ยแล้วติดตาเป๊ะเลยศอบที่มีวิญญาณนี่เนี่ยนี่เขาเรียกอกคาห์เคยไหมครับไปเพ่งศอบแล้วติดตาเลยเคยไหม อ๋อเคยทำปฐวีกะสินไหมครับอาโปกะสินเตโชกะสินเคยทำไหมอือไม่ดีแล้วอะไรแล้วอะไรบางที่มันติดตาพวกเราบางมีบางเพลงเพลงไปแล้วมันติดมั่นคงเลยห้ามบอกว่าในสมัยเป็นคาวาดเป็นใบหน้าโยมผู้หญิงติดตาอันนั้นไม่เรียก ไม่เรียกโอกาสนิมิตลมันกิเลสแล้วกิเลสมันดึงมากุศลละจิตไม่ได้เกิดไม่เอาเอาสรุปแล้วว่าเราเข้าใจกันแล้วเนะี่ยบริกรรมมันนิมิตกับโอกาสนิมิตมันต่างกันอย่างนี้ถ้าในอนาปนสติก็ ลมนั้นนิมิตของลมนั้นปรากฏแล้วแล้วก็เริ่มมั่นคงสเสถียรแล้วส่วนปฏิภาคคนิมิตเนี่ยเป็นยังไงปฏิภาคคณิมิตก็คืออารมณ์นั้นน่อารมณ์กรรมฐานมีส่วนคล้ายมีส่วนคล้ายกับอุคะหะจึงเรียกปฏิภาคฉะนั้นปฏิภาคคณิมิตจึงเป็นอารมณ์กรรมฐานที่มีสภาพคล้ายกับอุขานิมิต อารมณ์กรรมฐานที่มีสภาพคล้ายกันกับอุกขานิมิตนั่นแหละชื่อว่าปฏิภาคคณิมิตแปลว่าอารมณ์นั้นมั่นคงกว่าเสถียรกว่าใสากว่าชัดกว่าแต่มันคล้ายอยู่ น, ยนี่ก็เรียกปฏิภาคอารมณ์กรรมฐานของอุกขานิมิตและปฏิภาคคณิมิตเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ปรากฏทางใจด้วยกันทั้งคู่ มันต่างกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรสินเนะรูปารมณ์ที่เป็นอุคานิมิตนั้นมีสภาพคงเหมือนกันกับของเดิมทุกประการเข้าใจนะเหมือนกับของเดิมทุกประการส่วนรูปารมณ์ที่เป็นปฏิภาคกนิมิตนั้นไม่เหมือนกับของเดิมคือองค์กสินที่ทาขึ้นนั้นนะมีริ้วรอยนิ้วจับต้องติดอยู่ก็ดีหรือ ดินนั้นมีผงทุลรีแปดเปื่อนติดอยู่เล็กๆ น, น้อยๆก็ดีเมื่อปรากฏเป็นอุคานิมิตนั้นทางใจนั้นสิ่งเหล่านั้นคงปรากฏให้เห็นทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะมันจะมีล่องรอยอยังไงจุดว้าวจุดแหว่งเล็กๆ น, น้อยๆมันเหมือนทุกประการเลยนะั้นเป็นอุคหะเป็นอุคหะไม่มีผิดแพกสำหรับปฏิภาคกานิมิตนั้นถึงแม้จะปรากฏทางใจก็ตามแต่รูปารมนั้นมีความใส มีความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดมากกว่าอุคานามิธใช้คำว่าหลายร้อยหลายพันเท่าหลายร้อยหลายพันเท่าเหมือนความบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาดที่ปราศจากเมฆหมอกของดวงจันทร์วันเพญยัง้งฉะนั้นปฏิภาคนามิธนั้นจึงมีสีสันวันนะที่สะอาดเอี่ยม อ, อม่องมาก เขตผลที่ไอตัวรูปารมณ์นั้นน่สีนั้นนะนะมันใสมันสะอาดมันสว่างมันจ้าขึ้นมาเนี่ยเพราะเพราะสมาธิของโยคีของผู้ปฏิบัตินั้นมันตั้งมั่นมันสะอาดไม่เอี่ยมองคือนิวรธรรมมันหลุดนะครับเพราะนิวรธรรมหลุดจากใจแล้วเนี่ยภาพมันก็ใสแล้วครับ เหมือนเราดูลมปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแค่ความรู้สึกแต่ถ้าหากว่าสมาธิตั้งมั่นใสสะอาดเ ม, มื่อไปปุ๊บลมเป็นแสงเป็นนิมิตหมายขึ้นมาทันทีเลยครับสิ่งที่เราเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งใสสะอาดขึ้นมาเป็นแสงสว่างมากหรือน้อยอยู่ที่กําลังของสมาธิอยู่ที่องค์ประกอบในตัวสมาธิตั้งแต่ละบุคคลเข้าใจยัง ฉะนั้นปฏิภาคคิมิตรจึงมีความต่างกันมากของแต่ละบุคคลเริ่มมองเห็นไหมงั้นจึงมีความใสสะอาดปราศจากบนทินเนี่ยปฏิภาคคณิมิตนี้ไม่เรียกว่าปรามัตตัสภาวะารองรับ ไม่ได้เรียกในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านใช้คำว่าปฏิภาคอณิมิตนั้นไม่มีรูปร่างสันฐานไม่มีสีสันวันนะแต่อย่างใดเพราะไม่ใช่เป็นปรมตัตตาสภาวะเพียงแต่มีสภาพเป็นบัญญัติเป็นบัญญัติเ้าเรียกกสินบัญญัต์ล้วนเป็นกรสินบัญญัติบัญญัติสิ เป็นของจริงที่ไหนแล้วมันตกแต่งด้วยกำลังจิตอย่างมากจัดแจงประงัแต่งอย่างมากพอเริ่มมองเห็นไหมบริกรรมนิมิตอกาหานิมิตปฏิภาคนิมิตนี่นี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ ทีนี้เวลาเราทําความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะได้เห็นความต่างเออเวลาในขณะที่เจริญบริกรรมภาวนามีบริกรรมมนิมิตเป็นอารมณ์เจ๊ะไหมอุปจาระภาวนาที่จริงบริกรรมภาวนาเนี่ยมีพวกบริกรรมมนิมิตและอุคานิมิตนะครับเป็นอารมณ์เพราะอุปจาระภาวนานี้ก็มีปฏิภาคคณิมิตเป็นอารมณ์เบื้องตน้นและต่อไปพออัปนาภาวนาก็ชัดเลย ปฏิภาคคารมิดที่มีความชัดเจนมากที่สุดอันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีตรงนี้พอจะเข้าใจแล้วนะทีนี้ <c oughs> ริ่งที่จะพูดต่ อ, อพูดถึงในเรื่องของกสินพอเป็นพิธีหน่อยเพราะเราขับเน้นในเรื่องของสมถะกรรมฐานก็ต้องพูดถึง ก, ส, กสินนิดปัทวีกสินังเนี่ยก็แปลว่าปัทวีในที่เนี้ย ไม่ได้มุ่งหมายถึงสภาวะปฐวีที่มีลักษณะแข็งหรืออ่อนนะหากแต่มุ่งเอาศาสตร์สัมภาระคือดินที่มีสันฐานกลมเป็นชนิดที่มีประมาณเท่ากับจานข้าวก็ได้หรือว่าตะแกรงเหล็กเล็กๆขนาดหนึ่งคืบกระสีนิ้วเป็นต้นก็ได้เนี่ยนะเวลาเราจะทํากสินดวงกสินเนี่ยนะคืออย่างนี้ปฐวีกระสินออปฐวีอ่ะ ลักษณะมีแต่ลักษณะปฐวีก็แปลว่าลักษณะที่แข็งและอ่อนลักษณะที่หนักและเบาลักษณะที่เกลี้ยงเกลาและหยาบเนี่ยอันนี้คือลักษณะปฐวีอันนี้เป็นสภาวะประมัต ธ, ธรรมเป็นธาตุดินอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงตัวนี้ส่วนคําว่าซ <c> า <oughs> สามภระประทวีก็คือธาตุดินดินนะไอผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองนี่เขาเรียกสะสมพาราใช่ไหมปัทวีในอาการ32ไม่ใช่เพ่งพวกนี้แต่ในที่นี้เอาอารมณปัทวีปัทวีที่มาเอาไปเป็นอารมณ์ในการที่จะเจริญปัทวีกสินก็เลยเอาดินเนี่ยดินสีอรุณดินสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่เถอะเอามาทําขนาดจานข้าวก็ได้หรือขนาดกระหนึ่งคืบกระสีนิ้ว ทำให้สวยงามเลยนะครับแล้วเอามาไว้เพ่งในการระลึกเพื่อให้ดวงกสินหรือวงกลมของกสินหรือกสินทั้งหมดเหล่านั้นมาติดอยู่ในใจเราให้ได้คําว่ากสินก็แปลว่าทั้งหมดคำผู้ที่เพ่งกสินนั้นจะต้องเพ่งองค์กสินนี้ทั่วพร้อมๆกันดังนั้น ท่านอาจารย์แลดีมหาเทระเนี่ยแสดงไว้ในปรมัตตทีปนีดีกาบอกว่ากระสินเพราะอาจจะว่าเป็นสิ่งที่พึงแผ่ทั่วไปโดยไม่มีเหลือก็คือเวลาทำดวงกระสินก็ทงเพ่งให้ทั้งหมดให้ติดตาติดใจทั้งหมดก็ทำชำระให้ดีสำหรับผู้ที่ไม่แข็งแรง ก็ทำให้สะอาดสำหรับคนบุญน้อยๆต้องทาอย่างนั้นต้องตกแต่งกิะสีให้ดีอย่าให้มีหญ้าอย่าได้มีอะไรไปไปไปเงี้ยขั้นทำให้สวยทาให้ดีสำหรับคนที่มีบุญทั้งหลายเลยนี่มองลานตากข้าวปุ๊บติด <c oughs> เขาไม่ต้องไปใช้เวลาเยอะเลยครับคนที่มีบุญทั้งหลายคนที่มีกำลังสมาธิคนที่ชานฉลาดทั้งหลายคนที่มีกำลัง ไม่ต้องมาทำให้เสียเวลาเวลาอย่างพวกเราเนี่ยมองดินมองอะไรกันมาเยอะแยะไม่เห็นมันติดอะไรขึ้นมาเลยอันนี้ต้องไปทำนะครับดูแต่พวกบุญน้อยไม่ใช่บุญน้อยหรอกเพราะเราไม่ค่อยใส่ใจไงใจเราไม่รักนะครับเราไม่ค่อยรักที่จะทำกรรมาฐานกันจริงๆหรอกรือมากรักเรื่องอื่นยิ่งเด็กทุกวันคนทุกวันวันนึงก็เปิด iPad iPhone ดูจ้องเรื่องอื่นดูเรื่องอื่นได้ทั้งวี่ทั้งวัน แต่พอจะมาเพ่งกสินเนะี่ยขอห้านาทีอย่างนี้เป็นต้นว่าไงครับนะ<ะ>ครับอ๋อ <c oughs> อันนี้ว่าปฐวีกสินก่อนนะอโปกสินเดชโช <c oughs> เดี๋ยวจะไปเรียนทุกรูปแบบนดังนั้นเอาเมื่อถามเรื่องกสินไฟโบรานจริงๆเขาใช้แผ่นหนังครับแผ่นหนังทําเป็นวงกลมก่อไ ฟ, ไฟไว้ด้านนี้ ก็เห็นแสงไฟลุกปุ๊บปุ๊บอยู่ก็เพ่งไปตามวงกลมในแผ่นหนังให้ให้นิมิตของไฟเนี่ยมาติดอยู่ในใจครับใช่วงกลมมันจะได้สวยไงเมื่อก่อไฟอยู่อีกด้านหนึ่งใช่ไหมเจาะแผ่นหนังเป็นวงกลมใช่ใช่ใช่แล้วก็มองแล้วก็มองเข้าไปในวงกลมก็จะเห็นไฟเปลวไฟปุ๊บปุ๊บ แล้วให้ไฟทัานติดอยู่ในใจเตโชเตโชเตโชเตโชกศิณังเตโชกสิณังเพ่งเพ่งบริกรรมลืมตาหลับตาลืมตาจนสามารถหลับตาเห็นไฟเลยครับไฟในวงกลมนั้นติดอยู่ในใจได้แปลว่าสมฤทธิผลในระดับอุคหะก็ได้แต่ก็ต้องให้ให้ได้ให้ได้ปริมาณ ดวงใหญ่พอสมทั้งนั้นจะดวงเล็กไปเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยติดนะต้องเราถ้ามันถ้ามันถ้ามันถ้ามันไม่กรมเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับมันยาวๆอย่างเงี้ยไอ้นิมิตก็เลยไม่งามเลยมันจะเป็นปัญหาในการมาบริหารก็ทำให้มันดีครับ เอาใช่ไม่ใช่ไปเพ่งไฟแต่ติดดุนฟืนมาด้วยนี่ก็เรียกมันเป็นโทษแปลว่ามันไม่มันไม่มันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่เพียวๆแล้วมันมีฟืนผสมมาเขาให้เอาไฟก็คือเอาไฟไต่มันก็เลยกลายเป็นกระสิกรกรสินมันก็กลายเป็นโทษไปเหมือนไปเพ่งดินไปติดน้ำมาด้วย <c oughs> เข้าใจั้ยไปเพ่งน้ำไป ติดขอบบาทมาด้วยโอ้เอาบาทยกมาทั้งใบเลยอย่างนี้ไหมมันไม่ได้น้ำเพียวๆ เ, เขา้าใจยังไม่อลิเินอลมันต้องเป็นน้ำก็เป็นอะไรก็ต้องเป็นสิ่งของจริงๆเ <c oughs> พราะเข้าใจไหมครับ <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> แล้วกลับยังไง <c oughs> <c oughs> เออตรงนี้ก็เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ต่อนะครับเอ่อนี้ได้ถึงชั่วโมงยังอ้าวนะ เ, าเดี๋ยวต่ออีกหน่อยเดี๋ยวไม่จบจนะได้ได <c oughs> ฉะนั้นปฐวีนั้นนะ่ะได้แก่ดินที่มีปริมาณเป็นมนทนกลมนะ โดยจัดทำขึ้นบ้างหรือเป็นดินที่มีปริมาณมวลชนกลมอยู่แล้วโดยไม่ได้จัดทำขึ้นก็ได้จะเป็นชนิดเล็กชนิดใหญ่พโยคีก็เพ่งให้ทั่วพร้อมก็หมายความว่าปฐวีเยวะกะสินันติปฐวีกสินังดินที่มีสันถานกลมนั่นแหละเป็นดินที่ผู้ป่ารบความเพียรต้องเพ่งโดยพร้อมๆกัน ไม่ใช่เพ่งเฉพาะแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยใช้บริกรรมว่าปัทวีปัทวีปัท ว, วีด้วยภาวนาจิตฉะนั้นจึงชื่อว่าปัทวีกสินบริกรรมไปในใจด้วยภาวนาจิตจิตจดจ่อบริกรรมไปปัทวีปัทวีปัทวีปัท ว, วีว่าเป็นภาษาไทยก็คือดินดินดินดินดินดินบริกรรมนะไม่ใช่เอาเสียงนะเอาใจเรา การที่กล่าวว่าดินมีปริมาณมนทนอยู่แล้วเนี่ยโดยไม่ได้จัดขึ้นเนี่ยแต่ใช้เป็นองค์กสินในมุ่งหมายเฉพาะผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยนะครับบคุคคลที่ถึงพร้อมด้วยบา ร, รมีที่เกี่ยวกับการได้รูปเปล่าเจอชานในพบใกล้ๆคนที่เคยได้ฌานในเรื่องของปฐวีกสินมาในพบใกล้ๆเพียงเขาเห็นมนทนของดินเนืเห็นป๊อบเนี่ยติดวุบขึ้นมาเลยครับประทับใจเข้ามาทันที เขาไม่ต้องทำนานเลยครับกลุ่มที่มีวาสนาบารมีเขาสั่งสมมาดีเขาเคยได้ในพบใกล้ๆแล้วเงี้ยฉะนั้นคนมนุษย์มันต่างกันตรงนี้แหละครับต่างตรงที่ว่าคนที่เคยสั่งสมอัธยาศัยมาดีเนี่ยเช่นเคยได้อ า, า, านาปนสติกรรมฐานมาเคยได้ปฐวีกสินมาอาโปกสินมาคนได้อาโปกสินเนี่ยมองน้ำํำพบติดเลยครับปึบเลยครับแล้วต่อยอดได้เลยจเจริญต่อตื้อๆๆๆได้เลย แค่เข้ามาเรียนรู้ไม่มากเลยเขาได้ทันทีเอางี้นางอุปรีใช่ั้ยที่ว่าชาติที่แล้วเป็นแม่ไก่ฟังภาษาทยายวิปัสนาสีประธานนะครับภาวนาแล้วในขณะนั้นถูกเยี่ยวเฉี่ยวคอขาดเลยครับแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในราชตระกูล ตอนที่ฟังพระสวสดสุภัททันสาธยายไปถึงปุปรุลูกะกรรมฐานคือกรรมฐานที่มีหมู่นอนนั่งไก่ฟังตาแป๋วฟังในชาตินี้แล้วชาติต่อมาเป็นมนุษย์มีอยู่วันหนึ่งเดินเข้าในฐานที่ถ่ายอุจราระไปเห็นหมู่นอนยุกยุบยๆบยุ บ, ย บ, ยบได้ปุระว่ากาสัญญากับฐานยังปฐมชาติให้ตั้งขึ้นนี่เนี่ยเขาเรียกคนที่ได้อุปนิสัย มีอุปนิสัยครับมีบ้างไหมครับเนี่ยแวบบแวบแวบ แ, แ, แล้วมันติดตาขึ้นมาแล้วสมาธิตั้งมั่นเลยครับอันนี้แปลว่าคุณพวกคุณทั้งหลายไม่ธรรมดาเนี่ยแสดงว่าโอ้โหมีอัธยาศัยสั่งสมมาดีเนี่ยคนประเภทนี้เห็นมนทนของดินเห็นสันฐานของดินกลมๆที่ที่มีลักษณะคล้ายกันกับปฐวีกสินที่ตนเองได้มาในดิตชาติแค่นั้นนะฟึบติดเลยครับ มณฑลของธาตุไฟธาตุนะของไฟของน้ําของลมเนมันได้กรรมฐานได้ไม่ยากเลยเนีย่นี่เป็นอย่างนี้นั้นคนที่มีกุศลสัญญามาสั่งสมอัธยาศัยมาทั้งหลายเหล่าเนี้ยจึงเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจนะครับเหมือนคนที่เคยศึกษาธรรมะมาในอดีตชาติในพบใกล้ๆมาอย่างดีพอมาฟังเป็นเหมือนเรื่องที่เคยฟังเลยครับเรื่องที่คุ้นเคยทันทีเลยมันฟังวับเข้าใจเลยมันรู้สึกว่า หลายคนอ่านมันเป็นสิบรอบยี่สิบรอบอ่านงี้ไม่เข้าใจเจ้านี้ก็ดูปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเป็นเรื่องคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยเหตุผลของเขาทันทีเพราะอะไรถูกไหมเขาสั่งสมมาดีมากทําไมเราต้องศึกษาธรรมะทําไมต้องฟังธรรมะทําไมต้องประพฤติปฏิบัติธรรมะต้องการทําให้เป็นอากินากรรมอย่างนี้นะครับทําให้เป็นอัธยาศัยชนิดที่ไปในภพชาติต่อไปนะครับถ้าท่านตายนะตายในขณะฟังธรรมนี่ครับถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะครับ แล้วท่านได้ยินเพียงแค่นี้ท่านจะทะลุทะลวงไปอีกหลายร้อยเท่าตอนนี้ท่านฟังมึนๆงงๆกันนี่แหละไม่ใช่ไม่มีอันนี้สองนะครับพอไปอีกตาอัตภาพหนึ่งมันได้เหตุปัจจัยอะไรใหม่โอ้โหท่านจะเป็นคนมีความเข้าใจมากเพราะสัญญามันเก็บไว้หมดนะครับที่ฟังตั้งใจฟังฟังจําได้บ้างไม่ได้บ้าง แ, แปลว่ามันจัดเก็บเรียบร้อยแล้วครับปรุงแต่งไว้เรียบร้อยแนละ้วมีผลหมดนะครับทั้งบุญและบาปทั้งดีและไม่ดีทั้งหลาย นี่มั น, ม, นมันมันมีเปิดอย่างเงี้ยคนที่ฟังทาอย่างถูกต้องและตั้งใจฟังเข้าใจก็ฟังไม่เข้าใจก็ฟังฟังฟังไปเรื่อยๆใส่ใจไปเรื่อยๆมีอา น, นิสงส์มหาศาลมากมายจริงๆอัตภาพนี้เราอาจจะสติปัญญาน้ยเราอาจจะสมองไม่ค่อยดีหรือจากการอะไรก็แล้วแต่แต่การฟังนี่นะอย่างไรก็อา น, นิสงส์อย่างมากเลย แสดงให้เห็นชาด้วยในพบใกล้ๆเนี่ยแสดงว่าเราไม่ค่อยสั่งสมฟังกันมาเท่าไหร่หรอกเรามาฟังมันถึงเข้าใจยากนะบางคนใช่ไหมจากนั้นอย่าท้อท่านเก็บในอัตภาพเนี้ยท่านได้ดิบได้ดีนะแล้วแต่นี้ยพอฟังปุ๊บเนี่ยเหมือนความคุ้นเคยมากเลยมันความคุ้นเคยมากโอ้โหเรื่องนี้ทําไมมันเฮ้ยเราจะลึกงงคนอื่นว่าทําไมคนอื่นเข้าใจยากจังนะยากจังนะแต่ที่ไหนได้ อดีตเหตุเป็นปัจจัยแต่ต่อปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุเป็นปัจจัยต่ออนาคตผลมันเรื่องเหตุกับผลนะเนั้นสั่งสมไวเ้เถอะไม่เสียหายมีแต่ได้อย่างเดียวขอสิ่งของดีๆแต่ถ้าไปเก็บสะสมเรื่องไม่ดีมีแต่เสียอย่างเดียวนะแลสั่งเราจะสั่งสมอัตยาใสายแบบไหนก็ได้นี่มันมันมีพลังขนาดนั้นนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้น คนที่มีอุปนิสัยมีบุญบรารมีที่เกี่ยวกับการเคยได้รู้เปล่าวัาจราชานมาแล้วในพบก่อนๆใกล้ๆเนี่ยเพ่งปัทวีกสินทนั้นปุ๊บเพราะผู้ที่เคยได้รู้เปาวัาจราชานมาในพบใกล้ๆนี่แค่เ พ, พ่งปุ๊บก็จะได้กรรมฐานติดไปทันทีเนี่ยเนี่ยเป็นไปลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นจึงง่ายสําหรับบุคคลที่เคยมีอัธยาศาัยฉนั้นทุกอย่างฝึกไว้ ฝึกเป็นอัธยาศัยไว้ถึงชาตินี้ไม่เก่งถ้าเรายังสังสารวัตรยังไปชาติหน้าคุณจะเก่งที่สุดชาตินี้ไม่ฉลาดไปในอัตภาพหน้าจะฉลาดที่สุดเรื่องเดียวเชื่อมัน่นตั้งใจฟังไม่หยุดฟังติดต่อและต่อเนื่องใส่ใจเต็มที่ปรารถนาจะชาญฉลาดในพระไตรวิดกโอ้โหคุณจะเก่งอย่งมากมาย แล้วก็จะเข้าใจตนเองได้อย่างแท้จริงนี่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นภิกษุอุบาสกบาศิกาเป็นบรรพชิตเป็นต้นเหล่านี้ยเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในคุณของพระราตนตรัยเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อผลของบุญของบาปเชื่อกุศลอกุศลเชื่อโลกนี้โลกนั้นรกสวรรค์เหล่านี้เป็นต้นแล้วสมควรแล้วที่ต้องแสวงหาอมตะธรรม ก็คือธรรมะที่ไม่ตายการแสวงหาอามาตะธรรมมีสองประการใช่ไหมแสวงทางตรงก็ได้แก่การเจริญเขาเรียกว่าถ้าโดยตรงเลยนะฝึกในการที่จะเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ฝึกหัดขัดเกลาเริ่มตั้งแต่ทานศีลภาวนาเนี้ยไล่ไปตามลําดับโดยตรงเลยนะโดยไม่ต้องไปฝึกให้ได้สมาธิขั้นสูงๆอะไรนี้ ตรงก็คือเดินเดินให้จิตสงบจากนิวรธรรมให้ได้ก่อนเมื่อจิตสงบจากนิวรธรรมแล้วเนี่ยระดับอุปจาระก็พุ่งก็สู่เดินวิปัสนาญาณเจริญสติปัฏฐานอย่างนี้ได้ไม่ได้ถ้าทางอ้อมหน่อยก็เนี่ยมักฝึกให้ได้อัปปนาให้ได้อัปปนาสมาธิให้เป็นฐานเขาเรียกว่าอ้อมว่างั้นเมื่อได้ฌานได้ปฐมฌานทุดเดตีเยฌานตเติยฌานจดวัฏฌานเลื่อโลภฌานแล้วใช้ฌานเป็นบาตแล้วก็เดินวิปัสนาญาณ น, นี่เขาเรียกว่าอ้อมนิดหนึ่งแต่ว่า มัน่นคงแต่มันเดินได้สองทางนะครับแต่มีข้อแม้จะทางตรงก็ต้องได้อุปจาระที่เป็นจิตตวิสุทธิเพราะว่าจิตตวิสุทธิไม่ได้มันต่อวิปัสสนาญาณไม่ได้ังนั้นต่อให้คุณเนี่ยบอกโดยตรงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดินสมถะไม่จริง เพราะจิตตาวิสุทธิเป็นสมาถะศีล ส, สมาถาวิปัสนาใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาอย่างนออย่างเนอทสุดก็คือนิวรธรรมต้องหลุดขั้นอุปยาแลเดินพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณอะไรก็แล้วแต่เถดเดินจาคาศีลาอุปสมาว่าไปได้ได้อุปจาระแล้วนิวร์หลุดก็อาศัยช่วงที่นิวร์หลุดเดินวิปัสนากรรมฐานประชุมลงในอริยสัจอะไรก็ว่าไปในสติปัฏฐานสี ส่วนถ้าอ้อมหน่อยก็คือไม่เอาแค่อุปจาระฝึกให้ได้อปปนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็หรือทั้งหมดแล้วก็เดินสด็ประธานต่อในสองอย่างนี้การเจริญในสายตรงและสายอ้อมก็ดีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องมีการเจริญก็คือว่าหนึ่งหลักการจริงๆก็คือการตั้งอยู่ในศีลใช่ไหมหลักวิสุทธิมรรคเลย การที่จะเจริญกรรมฐาน ต, ตั้งอยู่ในศีลก็ <c oughs> แปลต้องรอบรู้เรื่องศีล <c oughs> เป็นอย่างดีนะและสามารถฝึกศีลเจริญศีลได้สองก็คือตัดปริโพศหรือมหาปริโพศเครื่องกังวลใหญ่สิบประการมีมีกังวลที่อยู่อาศัยเป็นต้นเหล่านี้ประการที่สามก็คือสแสวงหากะรยานามิตรที่มีความรู้ในการเจริญกรรมฐานเป็นอย่างดีนะ4 ทำการศึกษาอบรมกรรมฐานที่เหมาะสมกับจริตของตนนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประพฤติปฏิบัติขัดเกาสำหรับเนยญาบุคคลในยุคนี้5ก็เว้นจากสถานที่ที่เป็นโทษต่อการปฏิบัติ6ก็อยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบายแก่การประพฤติปฏิบัติประการที่7ก็ตัดขุดถกกบปฏิพโพชเครื่องกังวลเล็กๆ น, น้อยๆมีการตัดเล็บตัดผมเลยก็ว่าไป อันนี้เป็นต้นเจประการเนี่ยคุณจะต้องชำระให้ดีในก่อนที่จะลงมือในการประพิปฏิบัติทีนี้ในปุปภักดิจทั้ง7ประการเนี่ยอันดับแรกคือตั้งตอนอยู่ในศีลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือเ อ, อาชีวธรรมกศีลศีลของครือหัสศีลแปธรรมดาศีลของผู้ปฏิบัติหรือศีลสิหรื อ, 10, รอปฏิโมกขส์สังวรละศีลศีลของพระนักบวชเนี่ย นี่คุณต้องศึกษาในเรื่องของศีลต้องเข้าใจเรื่องของเจราานาศีลเจรศิศีลสังวรศีลนวิติกมศีลปาทิบุกสังวรศีลอินรีลสังวรศีลอาชีวปริสติศีลปัจจยสนิสิตาศีลอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือเรื่องศีลต้องเข้าใจต้องมาฝึกฝนพัฒนาในการที่จะเจริญอบรมให้ชัดอย่างนี้นี่ต้องชัดประการต่อมาก็คือต้องมีตัดมหาปริโภ o น์อาวาสะ อาวาโสจักกุโรลาโพโคโนกรมมันจะปั ญ, ญมังอัธนังญาติอาพาโทคันโถอิทิเตทะสาติเน่ก็แปลว่าเครื่องกังวลใหญ่สิบประการก็คือมีอะไรว่างที่อยู่อาศัยวัดกุฏิบ้านเป็นต้นแล้วก็ทายกทายิกาก็คือญาติกุลละก็คือตระกูลนพ่อแม่ปู่ตายา ย, า ย, าย ก็ลาบสกาละที่เป็นเครื่องดึงลึงเลา้าหมูคนะ่คณะนวกรรมอย่างลงหน้าก่อสร้างต้องทําให้เสร็จถึง <laughs> จะเจริญกรรมฐานนี่ยเนี่ยเการงานที่จัดซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เ น, นี่ยการเดินทางอู้ยต้องเดินทางต้องตัดกังวลญาติโยมอย่างท่านวันมีญาติโยมเยอะๆเนี่ยต้องตัดถ้าจะเจริญกรรมฐานเดี๋ยวอ้าวมาอีกแล้วอาภาธก็คือชําระให้ดีแล้วก็การศึกษา การเรียนการสอนไงโอ้ยเดี๋ยวต้องไปสอนคัมภีนั่นเดี๋ยวก็สอนคัมภีรนี้มัวแต่กังวลในการสอนโอ้ยเรายังไม่ได้เรียนตรงนั้นชําระคือเรียนให้มันให้มันเข้าใจซิยะมันไม่ตัดกังวลเลยต่อไปมันไม่ต้องว่าโอ้โหมัวุ่นวายนี่ก็ยังไม่รู้เรื่องเนี่ยเข้าใจไหมแล้วก็อะไรก็สุดท้ายก็คือเรื่องมีอยู่เรื่องนึ่งกังวลในการแสดงฤทธิ์สําหรับคนได้ฤทธิ์นี่ เลยไม่มัวเลยพูดปฏิบัติเลยอันนี้ยังไม่ได้สรุปก็คือว่าทีนี้อันนี้คือเรื่องเดี๋ยวต่อไปจะขยายตรงนั้นแต่ น, นแน่หลยก็เรียกว่าเครื่องกังวลพอพอมองออกไหมแต่เรามีเครื่องกังวลอะไรไหมที่เราเนี่ยยังเรียนไม่เข้าใจยังไงนะต้องทำให้หายกังวลเลยใช่หมยังมีไหม ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องความจำอย่างที่บอกไงทุกครั้งที่ฟังมันลงไปเรียบร้อยแล้วมันลงไปแล้วมันจะหายไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเก็บลงสู่มโนแ ล, ล้วเก็บเข้าสู่ห้องสัญญาเรียบร้อยแล้วเพียงว่าไม่มีความสามารถในการดึงออกมาใช้ก็ไปฝึกอีกที คือมันจาได้หมดเหมือนเราเดินทางไปนี่มันจาได้หมดแล้วครับแต่คนบางคนมีความสามารถดึงออกมาใช้ได้นี่พวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกใช้สติในการที่จะดึงมาให้ปัญญาสอบสวนแค่การถ้าฉลาดจริงเก่งจริงก็คือมีความสามารถในการที่จะเก็บข้อมูลลงไว้ในห้องใจ และมีความสามารถในการที่จะดึงมาถ้าเรียนแบบไม่กังวลเนี่ยมันดึงได้บางคนเนี่ยมองปั๊บเน่รู้เลยถ้าเรียนเหมือนท่านวันเรียนเนี่ยจะดึงไม่ค่อยได้เพราะมัวกังวลเรื่องอื่นถ้าใส่ใจฟังจริงๆไงแล้วตัดเรื่องอื่นจริงๆเรียบร้อยแปลว่าลงลงสู่ใจแล้วมันจะดึงออกมาไว้ว เ, ปาาเป็นได้ทั้งสองอย่าง ดังนั้นตรงนี้ให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วก็คือมันเก็บลงไปหมดแล้วครับแต่บางทีเนี่ยการดึงออกมาต้องไปฝึกอีกทีฝึกทำจิตให้ตั้งมัน่นวค่อยๆเลียงลำดับแล้วดึงออกมาฝึกดึงขึ้นมาให้ปัญญาสอบสวนให้ใจได้รับรู้ปัญญาสอบสวนตรวจตามันขาดตรงนี้ครับขาดวิธีการดึงออกมาใช้ แท้จริงมันเก็บลงไม่ต่างกันไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกทั้งหมดเหล่านี้มันฉลาดในการที่จะฝึกดึงดึงเอามาใช้ ส, สิ่งที่จะพูดวันนี้ก็คือการสแสวงหากัลายาณมิตรปิโยครุภวณียวตาเจวัชนัขโม คำเพรรัญจ่ากระถังกรตาโนจัตถาเนจนิโยเชยผู้ที่จะเป็นอาจารย์ที่ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรของเราได้นั้นจะต้องประกอบไ้ด้วยคุณธรรมทั้งเจ็ประการใช่ไหมหนึ่งปิโยเป็นผู้ที่น่ารักแล้วปิโยศัพท์นี้ที่บอกแปลว่าน่ารักเนี่ยน่าเลื่อมใสเพราะอะไรคนที่น่ารักน่าเลื่อมใสเพราะเป็นคนมีศีล คนที่เจริญศีลเนี่ยในปาฏิโมกสังวรศีล น, น่ารักไหมครับตั้งอยู่ในองค์ปาฏิโมกมีอินทรีย์สังวรศีลปิดบาปทั้งทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจได้น่ารักไหมครับมีอาชีวประดิษฐ์ที่ศีลเลี้ยงชีพที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่หลอกลวงในการเลี้ยงชีพปัจจะยสนิจติจศีลเวลาจะกินอาหารก็พิจารณามีปัญญาในการปัจจุบิณยแยกแยะถามว่าคนประเภทนี้น่นารักไหม คนมีศีนน่ารักน่ารักเขาจึงเลือกปิโยเวลาดูครูอาจารย์ตั้งหลายข้อแรกเขาให้ดูศีนไม่ใช่ไม่รู้เรื่องในเรื่องของศีลเลยเนี่ยนั้นต้องดูความเป็นผู้ตั้งมั่นในศีนความเป็นผู้น่ารักนะนะต้องเข้าใจตรงนี้เห็นไหมว่าถ้าเราบอกว่าเราต้องการแสวงหากัลยาณมิตรเนี่ย จะต้องดูความเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมโดนี้เป็นเครื่องจับไม่ใช่ว่าน่ารักโดยว่าประพฤติถูกใจเราไม่ใช่เขาเอาตัวศีลเป็นเครื่องวัดว่าท่านผู้นี้เจริญศีลตั้งมั่นในศีลฝึกพฤติกรรมให้เป็นไปกับปฏิโมกสังวอนศีลอินรีซังวอนศีลอาชีวประดิษฐศีลปัจญติสีตาศีล น, นะครับ มีศีลเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนี่ได้แล้วผ่านด่านแรกแล้วน่ารักพี่โยครุศัพท์นี้แปลว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพหมายความว่าอะไรประกอบไปด้วยคุณธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่าเนี้ยคือคุรุน่าเคารพเนี่ยแปลว่าเป็นบุคคลที่เจริญในศีลสมาธิปัญญาฉลาดนะ และตนเองก็ทำได้จริงๆด้วยเป็นว่าได้ระดับศีลก็ได้ระดับสมาธิท่านผู้นี้มีทั้งคุณภาพสมรรถภาพและความสุขใจของเขาปิดนิวรธรรมได้มีปัญญาวิจัยแยกแยะเห็นเหตุเห็นผลเข้าใจกระแสชีวิตตามความเป็นจริงนี่ก็เรียกวันน้าเคารพหน้าเคารพเนี่ยมันคือว่าเราอยู่ใกล้คนประเภทนี้ มันรู้สึกว่าเราอบอุ่นอยู่ใกล้คนประเภทเนี้ยมีความสุขอยู่ใกล้คนประเภทนี้ย ร, รู้สึกปลอดภัยนะครับมันรู้สึกปลอดภัยคนที่เจริญในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ปลอดภัยได้งไงกิเลสไม่กุ้มรุมเขาเลยที่เราอยู่กับขั้นพวกนี้ยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหงุดหงิดขึ้นมาเดี๋ยวกําหนัดเดี๋ยวขัดเครืองเดี๋ยวลุมหลงไม่เลยศีลเกิดขึ้นกับเขาเขาก็กําจัดโทสะได้ สมาธิใ น, ในกระแสชีวิตเขาก็กำจัดตัณหารหรือโลภะได้ปัญญาเกิดขึ้นกับเขาก็กกำจัดโมหะได้ราคาโทสะโมหะไม่กุ้มรุมเขาเขาจึงเป็นคนน่าเคารพนี่ครุน่าเคารพอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วเปราะรู้สึกอุ่นใจสุขใจและปลอดภัยครับนี่น่าเคารพ ภาวนิโยเป็นที่น่าสลรเสริญเพราะมีจิตใจเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงใดบันดาสหาธรรมิกและลูกศิษย์คือเป็นคนที่เจริญในคุณธรรมทั้งหลายใช่ไหมเออเจริญในศีลในสมาธิในปัญญาไม่พอนะะและเป็นคนที่มีมีไม่มีอคตินะครับ ไม่มีฉันทากติโทสากติโมหะติพยากติเพราะเป็นคนเจริญพรมวิหารธรรมเป๊ะเลยครับยามปกติเดินเมตตายามประสบปัญหาเจริญกรุณายามที่เจอคนประสบได้ดีมีสุขเจริญมุฒิตายามที่จะให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาวางใจเป็นกลางได้เป็นบุคคลที่เราไปอยู่แล้วมีแบบอย่างเป็นแบบอย่างให้เราได้ พัฒนาตัวเองยิ่งๆขึ้นไปมันรู้สึกว่าโอ้โหมองในด้านไหนท่านคนนี้ก็น่าจเจริญใจจริงๆน่าจเจริญใจมองแล้วน่าจเจริญใจจริงๆนี่เห็นไหมข้อที่สข้อที่สี่วัตตาเนี่ยเป็นผู้ว่า ก, กล่าวเนี่ยเป็นผู้สามารถอบรมลูกศิษย์ให้ดีได้อย่างหนึ่งตรงนี้คือวัจนักเ อ, อวัตตาศับเนี่ย ฉลาดในการว่ากล่าวฉลาดในการว่ากล่าวรู้ว่าจะพูดอย่างไรเช่นในยามที่เราหดหู่พูดให้มีกำลังใจยามที่เราไม่มีศรัทธาพูดให้มีศรัทธายามหดหู่พูดให้มีกำลังใจเลอะเลือนพูดให้เรามีสติฟุ้งซ่านพูดให้เรามีความตั้งมั่นไม่รู้ไม่เข้าใจพูดให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจได้ เงาเศร้าซ้อยทั้งหลายปลุกเราเราให้ตื่นขึ้นมาบางคราวเนี่ยจิตใจเรากวดแกข่งมากไม่อยากอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์นะบอกเหตุบอกผลให้เราสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้มีธนูถนอมบอกเหตุบอกผลเราแยกอย่างชัดเลยว่าไงนะแก้ปัญหาให้เราได้เนี่ยคนประเภทนี้ท่านเจอท่านไปอยู่เลยครับเป็นใครก็ได้แก้ปัญหาให้เราได้นะครับไม่ใช่ว่า เราต้องไปคว้าเองไม่ใช่คอยแก้ปัญหาเลยวัจน ก, กมโมแับเป็นผู้ยอมรับคำตักเตือนจากศาตรธมิกและลูกศิษย์ทนพฤติกรรมเราได้ครับเราออกนอกลูก่นอกทางบ้างอะไรบ้างก็ทนเราจะตาหนี่ตีเตียนท่านว่าก็ทนทนต่อคำว่ากล่าวทนต่อคำตาหนี่ตีเตียนเป็นคนที่มีความเสถียรทางด้านจิตใจสูงยอมรับ พฤติกรรมที่งี่เง่าของเราได้แล้วก็หาจังหวะในการที่จะแก้ไขเพราะความเป็นผู้ไม่แข็งแรงในธรรมะมันจะออกนอกทางอยู่เรื่อยบางทีเราอยากจะจริงๆเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์เขาอ่านแล้วขาดหมดแค่เขาเข้าไปในห้องแค่ดูเราเขาฟังอะไรแล้วอ่านตำราเล่มเขารู้หมดนะปุ๊บเนี่รู้แล้วว่าเรามีฐานความคิดยังไงมี มีข้อมูลอย่างไรทำไมต้องอ่านตรงนี้ทำไมรู้ด้วยว่าอ่านในนี้ได้ดีไม่ดียังไงแปลว่าคนที่เป็นอาจารย์เ็าฉลาดอ่านขาดนัอ่านขา ด, นะา น, ขาดนะครับวจนะขโมงก็หมายความว่าคำภีรัญจากกระถังกะตาเป็นผู้สามารถแสดงอัธิลึกซึ้งอันนี้สำคัญมากเป็นผู้มีความสามารถแสดงเรื่องขันในยตนาธาสจัปฏิจจตตรลักษ ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนชัดเจนนะอย่าลืมนะสามารถแสดงให้เราเข้าใจได้ไม่ยากชัดเจนยาวสรุปให้สั้นลึกดึงให้ตื่นๆต้นนะยากทำให้ง่ายได้คือสามารถแสดงให้เราเข้าใจได้ตรงนี้ยากแต่นั่นแหละถ้าใครทำได้อย่างนั้นใช่แล้วนั่นแหละเป็นกาลยานามิตรนะครับ เพราะการที่เราจะอัะเนื้อความใดๆที่มันมีความลี้ลับซ่อนเลนซ่อนปมซ่อนเงื่อนเนี่ยมันอ่านตำรา ย, ยัางไงไม่เข้าใจแล้วครับคนคนนั้นจะต้องผ่านการผ่านทั้งคำสอนผ่านทั้งการปฏิบัติวิจัยแยกแยะมนุสการคิดในเรื่องนั้นหลายพันรอบจนทะลุทะลวงจนเข้าใจอย่างดีแล้วจึงสามารถหยิบมาเปิดเผยเราได้โดยไม่ยากนี่เขาเรียกว่าฉลาด ะะไม่ใช่เอาตำรามาอ่านเป็นปึงป้งๆๆๆแล้วเจาะทะลุทะลวงให้เราเข้าใจไม่ได้นั้นก็เรียกว่าไม่สามารถแสดงอัติอันลึกซึ้งได้อันนั้นการที่จะสามารถแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งความเป็นไปของรูปน้ําขันห้นาขันนายตะนาทธาสัจใจปฏิจจตัยลักลงอริยสัจได้ให้เราเห็นได้ชัดเพราะตรงเนี้มันจะเป็น การเขีย่ยปมในใจของเราที่ติดขัดทั้งหลายเนี่ยให้กระจจยกระจายและเราจะเกิดกําลังใจเกิดความเข้าใจในพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างดีลึกซึ้งเข้าใจอย่างแล้วก็อัฏฐานีโนจียะเโนจัตฐานีจะนิโยชยเชย์เป็นผู้เว้นจากการชักชวนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แม้ที่สุดเพียงครั้งเดียวก็ไม่ทํามีแต่การชักชวนให้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลก็คือ กำหนดประโยชน์ให้กับเราได้กำหนดประโยชน์ให้กับเราได้รู้ว่าอะไรจะเป็นทางเสื่อมเสียงเราป้องกันให้ดึงเราออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับกข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็นำพาชักจูงแนะนำแล้วก็เป็นแบบอย่างในการที่จะนำสู่ความเจริญให้กับเราเลเป็นต้นได้ท่านทั้งหลายก็ดูตรงนี้ครับสำหรับบุคคลที่จะเป็นกัลยาณมิตรท่านไปที่ไหนไปเห็นที่มีคุณสมบัติ ถึงแม้ไม่ครบแต่มีส่วนมากนะครับมีส่วนมากแล้วว่าท่านอยู่ครับแล้วก็ไปฝากตนนะครับแล้วก็ไปน้อมในการที่จะประพฤติธปฏิบัติอย่างจริงจะเป็นประโยชน์ฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าคนที่เป็นกัญยาณนิมิต ท, ทั้งหลายนอกจากรู้จากเราแล้วยังไปรู้จกักจริตของเราด้วย แล้วก็จะให้กรรมฐานให้ข้อมูลให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่จริตอัตยาศัยของเราได้ชัดทำให้เราเข้าใจได้ไม่ยากมันเป็นประโยชน์อย่างนี้แล้ววันนี้ไม่มีใครถามก็สมคนแก่เวลาแล้วขอโมทนากับท่านทั้งหลายตั้งใจฟังตั้งใจอบรมตั้งใจที่จะฝึกฝนพัฒนา ขอให้กุศลความดียังเป็นปัจจัยเกื่อนหนุนให้เราท่านทั้งหลายคอยพรัฒนาตรายคุ้มของตลอดกาลและตลอดไป